ญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราจะเริ่มก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook, เ c e b o o k เพราะว่าสักจะมีปัญหาเิดหน่อยเดี๋ยวถ้าเ c e b o o k พร้อมก็เข้ามาตามที่หลังก็แล้วกันอันนี้จะเริ่มไปที่เด็กชายนักคุณนักคุณ<ย>เด็ก กรรนมัต ก, การค่ะพระอาจารย์นั่นเป็นบ อ, บ, ออบอก อ, กอะะ่ะสัญญากันทั้งปีปีสี่เลยจะจะบอกวันนี้คุณดึงเไหมคนยังสิคะพระอาจารย์คะวันนี้คนไม่ดือค่ะไม่ดื้อนะโอเคโกหกก็บาไม่โกหกนะทำความดีอะไรคะต้องทำความดีจะติดโอเคไม่ดื้อไม่สนนะอย่าไปทำของเสรยหายเข้าใจไม่ทำอะไร เข้าใจไหมคะเข้าใจนะโอเคดีมากเป็นเด็กดีไปไปได้แล้วไปนอนได้แล้วไปนอนได้จะเราไปนอนได้แล้วกราบค่ัพระอาจารย์ตุ่ยกราบค่ะ <c oughs> น้ำอุปสรค่ะม่ okay. มีอะไรไหมไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์จิตตกนิดหน่อยเมื่อวานค่ะแต่ก็ทุกอย่างเป็นไตลักค่ะได้สติก็เดินกลับมาอ่าพระอาจารย์ ได้เข้ามาฟังธรรมาเย็นๆพระอาจารย์ทำให้ทั้งอาทิตย์ที่มันวุ่นวายสงบกลับมาเหมือนเดิมค่ะการขอบพระคุณใช่ค่ะอจาเราชอบหลงไปกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอ ม, มันเป็นไปตามใจอยากเราก็เสียใจทุกใจเราไม่มองความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เทีย่ยมมีขึ้นมีลงควบคุมบงคัมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราตัวเรา คหน้าตาค่ะพระอาจารย์เออก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถ้ามันเหนียววิสัยเราก็ต้องปล่อยก็ต้องยอมรับความจริงไปค่ะพระอาจารย์ยอมหยุดยอมหยุดตลอดเลยค่ะอถึงรอดยอมแพ้ความจริงครับเราชนะความจริงไม่ได้ครับค่ะความจริงเป็นไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นหยุดต่อต้านความจริงนะค่ะ มันร้อนก็อย่าไปอยากให้มันหนาวทุกไปบางผ่าวค่ะพระอาจารย์มอนกอดอยู่กับความร้อนไปยอมรับความจริงค่ะพระอาจารย์ทุกอย่างมองให้มันเหมือนว่ามันเป็นดินฟ้าอากาศเราก็จะสบายใจค่ะอนัตตาสัมเบทามาอนัตตาค่ะอย่างเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องทุกอย่างเนีลย ทุกอย่างโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแม้แต่ใจเราเราก็ยังควบคุมบังคับไปไม่ได้าบางวันก็แจ่มใสบางวันก็เสื่มเศร้าใชนะ่ไมค่ะอ่าอืมมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเหตุมีปัจจัยที่เหนือเหนือกว่าที่เราจะไปควบคุมบังครับได้ค่ะพระอาจารย์ยอดไอ้นี่ใช้ได้จริงๆค่ะ งอหยุดเย็นแต่ทําม่ไม่ได้ให้งอมอืองอเท้าค่ะทําอะไรก็ทําไปทําได้ก็ทําไปถ้าทําล้ทุกข์ก็อยู่ตรนนี้กว่าค่ะหยุดทั้งความคิดหยุดทั้งการกระทํามันสามารถช่วยให้เรากลับมาย้อกนกล<อ>ับมานั่งสมาธินะทำใจปล่อยวางค่ะพระอาจารย์น้อมนําไปปฏิบัติต่อค่ะโอเคให้พระอาจารย์มีธาตุแข็นแข็งรงนะคะเอสาธุจ้า อต่อไปทธรแมะกับแจที่ประส่งการบ้านใช่ไหมตลาดพิมพ์สกังค์ไฟแดงครับใช่ครับวันนี้มาส่งกันบ้านครับอมีอะไรบ้างมาอลไรครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได um um um um um ้ เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องประทบ ก, กันของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนวเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่งองาศัยเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทา ย, ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมอนั้นต์สิบไป เราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันอย่าลืมนะความแก่ความเจ็บความตายมันนอเราอยู่เตรมตัวเต็มใจอาจเป็นคนแก่อาจเป็นคนเจ็บอาจเป็นคนตายโอเคแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็น กระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทางพืชไตปอดไส้ใหญ่ไซส์น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำทะเลน้ำเหลืวน้ำเลือดน้ำเงอน้ำมันค่อนน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่เค็น้ำมูด น้ำมูดน้ำหอยค้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงอน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ปอดใตผังผืนตับหัวใจปามเยื่อในกระดูกกระดูดเอนเนื้อ หนักฟันเล็บขนไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายใช่ไหมมีไหมไม่มีครับอืตัวเรามีรูปร่างหน้าตาปะไม่มีครับไม่มีจ้ะมีแต่ความคิดใช่ไหมมีแต่ความรู้ใช่ไหมเราลุ้นเราคิดแต่เราไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายเราเป็นต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ ให้เราได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆครับแต่เครื่องมือของเรามันเป็นของชั่วคราวเนี่ยมันก็ต้องตายไปเราก็ต้องไปเปลี่ยนร่างกายใหม่อะไอ้ยังไม่สิ้นกิเลสก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ถ้าหมดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องไปหาร่างกายใหม่เพราะไม่มีความอยากที่จะเห็นอะไรแล้วไม่อยากจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไม่ต้องไปมีร่างกายหม่ โอเคนะมีคำถาม <ทำ S 1> อะไรหมไม่้ ม, ม, มครับม่เกินี้น้องตะวันเข้ามาหรอเเนี่ยยังไม่ได้เข้ามานะไปแล้วน้องพีก่อนนะน้องพีมม้คร<อ>ับพระพระอาจารย์คการการปิดแอยังปิดเทอมแล้วครับเป็นยังไงมีคำถามอะไรหรือเปล่า ไม่มีค่ะแต่พูดไปสิพี่เราต้องพูดยังไงอก็หลวงตาบอกให้หนูไปหัดทองมาหนูก็หัดท่องท่องให้หลวงตาฟังต้องอะไรออย่างต้องอะไรบ้างต้องเห oh. มกับพี่ oh. แจตตี้เขาทำใช่ไหมครับทําได้ทองได้ไดไมหมดก็หัดอทองไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องไปซ้ำหรอ ก, กมันจะเสียเวลาค่ะ เวลาที่จำได้กับเจที่เขาเท่าเราก็เท่าตามไปในใจถ้ามาทุกคนมาเท่าเดี๋ยวมันไม่ต้องทำอะไรนั่งฟังแง <c oughs> อ่เท่าไว้ให้จำให้ได้หมดนะตามที่เขาที่เจตีกับจำได้เขาเท่าไว้เป็นธรรมะอันประเสริฐเป็นปัญญาอันเลอที่สุดที่จะสามารถนํามาใช้ในการดับความทุกข์ใจได้ อยากท่องให้หลวงตาฟังเป็นใจมากเดี๋ยวหยังเปิดจะให้ท่องพร้อมกันเลยสามคนเลยก็เมื่อกี้ที่ท่องกับที่ที่พน้องน้องพีจดมาก็จะแบบว่าคือจะดิฟกันนิดนึงอย่างเนี้ยค่ะก็ต้องไปปรับให้เหมือนกันพ<ม>ีเขาก็มาท่องพร้อมกันได้ค่ะแต่จะให้มาผัดกันท่องมัไม่ไหวเดี๋ยวมันจเสียเวลามากคนไหนก็ค่ะไม่เป็นไรค่ะ กูเป็นไรเนาะอื <S <S เอเท่าคเดียวก็พอนะกูก็หัดท่องเป็นใจแล้วก็ทอยคุณแม่ฟังไปก็แล้วกันให้คุณแม่เป็นแทนหลงตาแล้วกันนะทําหน้าที่แทนหลงตาใหคุณแม่มารยายงานว่าท่องได้หรือไม่ได้กูเป็นไรแนละ้วอ่ะครับตั้งใจอยากอยากท่องให้หลวงตาฟังมาก อยากคุยแบบเตรียมตัวอย่างดีท่องไงเอาขึ<ง>้นยืได้เท่ายหรองท่อามานะอยากจะาท่องนะท่องมาอ่ะค่ะผมขนเล็บฟันหนังไตเอ น, เ, อ เ, นเนื้อเอน็นเนื้อไม่มีไตไตไม่ใช่ไตมันต้องอยู่ข้างในนี่อยู่ข้างนอกกัน เ, เนื้อเ อ, นเ อ, เอน็นกับดูอ่ะกับเอ็นเนื้อตาไดเลย ขอนหอมขอนเล็บปันนังเนาะเอาะจำไม่ได้เฉนเลยตื่นเต้นตื่นเต้นพอพอพอผิดพอพอตกใจเลยใช่พอผิดไม่เหมือนกับพี่เขาเลยกูไม่ถูกเลยเดี๋ยวเอาแก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่เดี๋ยวไปจดใหม่ เดี๋ยวไปจดของเดี๋ยวกลับไปดูย้อนได้ดูที่เขาชัไปดูยอนหลังแล้วไปจดของพี่เพราะอันนี้พอดีว่าหนูเอามาจากทางที่ไหนอช่ใช่ที่าอาจจะจำลำดับไม่เหมือนกันใช่ไม่เป็นไรเนาะท่องอีกรอบทองอีกรอบให้ให้คุณป้าคุณตาถามธรรมะดีกว่าลูกไม่เป็นไรนะหนูตาได้ยินแล้วโอเคเดี๋ยวไปแก้ตัวใหม่โอเค ครับค่ะ <Okay. S 2> อยากรมมาตร ก, การค่ะหลวงพ่อขอให้หลวงพอ่อ <Yeah. S 2> ถ้าขายแข่งแรงนะคะอยาสาธุเจา้า <Okay. S 1> ที่เป็นมอพเชิดอ๋อเปหอ็หมอหมอองได้ไหอาการสามสิบสองเป็นหมอทนะ่องท่องได้ครับอาจารย์ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะให้ท่องให้ฟังหน่อย <laughs> จะจให้ท่องให้ฟังอะไเลยครับ ก็ไม่รู้ว่าวไม่ต้องก็ไดจ้จะได้ไม่เสียวเวลาจะจะท่องอทุกวันครับฝึกท่องทุกวันเออดี่เ <Okay. S 1> มื่อเมื่อก่อนเรียหมอก็ไม่ได้ท่องนี่ไหมไม่ได้ท่องครับเพิ่งมาท่องก่อนที่มาปฏิบัติธรรมนี่ครับเอเอมีประโยชน์ไหมก็มีครับเวลาที่เราเห็นอะไรเราก็จะมองลึกเข้าไปที่อยู่ใต้ผิวหนังก็จะทําให้เราละกามรมเวาคะได้ครับอาจารย์คนก็ เ, เคยถามปัญหาว่าเป็นหมอนี่น่าจะละกามรมเวาค้าได้เาราบอ พขาไม่นำมาจดมาจับก็ก็เรียนเพื่อให้ผ่านพอก็สอบผ่านแล้วเขาก็เลยไปแล้วใช่ไหมมันเป็นโมหะวิชาครับยังหนงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขครับอาจารย์เห็นสิ่งที่ไม่สวยว่าสวยงามใช่ไหมครับครับอาจารย์พอได้มาศึกษาได้ปฏิบัติทำก็ทําให้เรามองลึกเข้าไปต้ผิวหนังก็จะทําให้เราละกังมาละตามที่พระอาจารย์ได้เมตตาสั่งสอนครับอาจารย์ดีดีมาก แต่เป็นหมอที่ก็จะสามารถรละได้ง่ายกว่าเพราะเคยผ่านมาแล้วเคยศึกษามาแล้วเป็นงแต่ว่าไม่ไ ด, ไไดเอามาทําอย่างจริงจังคับหนึ่งครับอาจารย์เวลามองก็จะเห็นเป็นวิวัฒน์ตร้งไหนที่เราเคยเห็นมาแล้วอืมท่องทุกวันครับอาจารย์ดีมากเนี่ยพระพระที่มาบวชเนี่ยเขาต้องบังคับให้ท่องนะห้าอาการก่อนเนี่ยเยส า, า, น, านุมาผมคนนิฟันหนึง่งในพิในเวลาบวชเนี่ยเขาจะให้พระ ภาพบวใหม่อยในท่อมก่อนเลยเป็นกรรมฐานที่จะป้องกันการมาราคะเพราะถ้าบวชถ้าเกิดการมราคะแล้วมันผ้ามันจะร้อนเนี่ยมันจะทนอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องมีธรรมะมาคอยดับความร้อนก็คือกรรมฐานห้านี่แต่ความจริงให้ท่อมถึงสามสิบสองอาการแต่ในขณะที่บวชมันมีเวลาน้อยก็เลยให้ท่อมแค่ห้าอาการก่อนครับแต่ การพยายาิจารณาอาการ32แล้วก็อสุภะนี้ช่วยช่วยโยงในการละกางมรรคะได้ได้มากเลยครับใช่อืกระยุติกา ร, รา ค, าครับปฏิฆะก็จะต้เพราะความหลงไปเห็นร่างกายว่ามันสวยมันงามทั้งทั้งที่ความจริงมันในส่วนที่ไม่สวยงามที่เราไม่ยอมมองกันนะครับพระอาจารย์ขอบพคุณพระอาจารย์ครับขอบคุณพระพุทธเจ้าเลโอเคมีคําถามอะไรบ่าใหญ่ มีคำถามว่าเราเกิดมาทำไมครับป้าจาง อ, อ๋อถ้าถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เราเกิดมาเพื่อหาความสุขในโลกนี้กันทุกคนเกิดมาก็เพื่อหารากยศอนสเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดกันแั่นี่มันเป็นโมหะอิชาไม่รู้ว่าการหาสิ่งเหล่านี้เป็นการหากองทุกข์กันก็าหากองทุกข์กันเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยง ได้มาแล้วก็ต้องเสียไปไม่ช้าก็เร็วเวลาเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจกันไม่มีข่าวอยู่เรื่อยๆเนี่ยเล่ามารวยขนาดไหนวันนี้คืนนี้ถูกตำรวจจับปับ๊บเนี่ยึดตซับหมดซึ้บหมดเนื้อหมดตัวนี่คือโลกกระทำทุกคนที่เกิดมาก็มาหาลาบกันได้อยากจะเล่ารวยกันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นอะไรกัน อยากอีกพวกนึงก็อยากได้รับรางวัลแข่งขันกีฬาอย่างได้เหรียญทองอย่างได้รางวัลตุ๊กตาทองนี่เ่าสรนเสริญแล้วก็อยากจะหาความสุขด้วยการเสก ร, รูปเสียงกล็ดลดต่างๆการกินการดื่มการดูการฟังอะไรต่างๆการซื้อของผู้เฟออยต่างๆมีเนเรื่องของการอย่างทุกคนแบบมาก็ทําอยำไม่ต้องส อ, ยอยงนอนไรไม่เพราะแม่มันต้องสัสนสอว่าลูกไปหาเงินหาทองนะ พอมันโตมันก็จะไปนะแต่พอ่าศึกษาธรรมะแล้วถึงจะรู้ว่าออการหาสิ่งนี้มันเป็นการพาให้เราต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เราหาเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอนมันไม่คงที่มันไม่คงทนวันใดวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็อาจจะเสื่อมไปแล้วหายไปจากเราตอนนั้นมันก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจแต่เราก็ไม่เขียนว่า เมื่อหายไปแล้วก็ต้องหามหาใหม่บาทดแทนหามากี่ครั้งมันก็ต้องเสียไปในที่สุดในที่สุดเราให้หาได้หหหไหมว่าอะไรมาเป็นมหาเศรษฐีเป็ น, นยศตําแหน่งสูงสุดเวลาตายไปก็ศูญเสียไปหมดแต่เราตายมันไม่จบที่ตรงนั้นเพความอยากหาพวกนี้มันยังมีอยู่ข้างอยู่ในใจมันก็จะพาให้กลับมาเกิดใหม่ที่มาของการเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะนี้แหละความอยาก เสกษตรงินอยากจะห า, หาลาภยศสารเสงิสุดขึ้นพอเราเจอพระพุทธเจ้าพุทธ เ, เจ้าบอกการเกษตรการห า, หาลาภยศสารเสงสุดนี้กนำไปสู่การเวีนว่าที่ตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุดเอถ้าอยากจะยุติการเวีนว่ายตายเกิดก็ต้องเลิกเกษตรกันมาปฏิบัติธรรมําทานรักษาสีพภาวนา์กันเงินที่อยากไปใช้เสกษตรก็เอาไปทําบุญได้หมดอนแล้าง อวเวลามาปจิตมันรักษาศีลห้าศีลแปดตามลำดับแล้วก็มาภาวนานั่งสมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมพิจารณาตายลักพิจารณาสุภะเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นถ้ามาศึกษาธรรมแล้วเป้าหมายของการมาเกิดก็เพื่อยุติการมาเกิด โดยการไปหยุดความเหตุที่พาให้มันเกิดก็คือตัณหาความอยากแต่ถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่เข้าหาธรรมะไม่ไ ม, ไม่รู้เรื่องเกิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องเวีนว่ายตายเกิดเอามันมาจากตัณหาความอยากอย่างต่ำก็จะไปหาตามก็จะส่งเสริมตัณหาความอยากอยากได้อะไรก็ไปหากันอยากมีอะไรก็ไปหากันอยากจะเป็นอะไรก็ไปหากัน แล้วก็มาทุกกันอ่านนี้ก็คือคำถามนีสอนความหมายเกิดมาทาไมถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เกิดมาเพื่อหาความทุกข์จากราบยศสารสุขนี่ถ้าศึกษาธรรมะก็จะรู้ว่าการมาเกิดนี้ไม่ดีเกิดแล้วต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายการท้าทากกันก็ต้องหยุดการเกิดหยุดการเกิดก็ต้องม่หยุดความอยาก หรืความอยากได้ก็ต้องไปทำบุญทงทานสละเงินทองไปไปเป็นนักบวชอิสรพมบัติของเงินทองก็ยกให้คนอื่นไปไม่ได้ไม่ต้องมากังวลมันจะได้มีเวลาไปให้กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต่อไปเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์กับแบบว่าคุณยังสูงกับ อ, อ, อไปที่คนเอกเชรียดไรต่อคุณเอก การรับการอาจารย์ครับตัวนี้เข้ามารับฟังคับอาจารย์ครับไม่มีอะไรนะไม่มีครับเข้ามาชาร์ไปครับอยังในสัตว์ช็คอยู่ในวันพระครับผมยังปฏิบัตรริอยู่ครับคือสิงแสนะครับตัวนี้ก็ไม่นอนนะครับผมอืมตาอลองให้สว่างก่อนถึงจะนอนนะก่อนอื่นก็เริ่มเวลาไปนะหนึ่งวันวันที่ก็ไม่ไม่ไหวเหมือนกันนะอาจารย์อคนทีวันเทียงไม่ไหวเหมือนนะครับ ตสีอย่างเงี้ยครับมัีเราอาจารย์ถ้าไม่นอนนี่ต้องพักปฏิบัติด้วยครับถ้ไม่นอนกใช่ใปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ครับนั่งสมาธิครับอ่านั่งสมาธิเดินตรงๆถ้าง่วงก็เปลี่ยนนะบางทีก็เปลี่ยนมานั่งมานั่งด้วยครับอาจารย์โอเคครับผมนี่สาธุครับผมครับ ไปที่จันต่อไปไปที่โยกเจนเพจเบิร์ก USA นามาสการค่ะอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะมาร่วมฟังธรรมค่ะอาจารย์โอเคยินดีต้อนรับสาทุไปทีคุณแอนตอบคุณแอนอยู่ที่ไหนกลับหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้กลับมาอยู่ญี่ปุ่นค่ะวันนี้อ๋อแอนที่เป็นแอนใช่ไหม ใช่ค่ะมันไม่ได้อยู่ดูในจกับดูตัวจริงไม่เหมือนกันตัวจริงตัวจริงในรูปแต่ในรูปดูดีกว่าใช่ไหมคะเห็นทั้งสองตัวจริงเห็นแล้วจำไม่ไ ด, ด, ด้ดีคนละแบบดีคนละแบบค่ะวันนี้เพิ่งเพิ่งกลับมาญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับบ้านแล้วค่ะ่ะว่าเดี๋ยววันมะรืนจะไปกราบหลวพ่อโดยเจ้าค่ะได้หยุดหลายวันไหอ่าใช่ค่ะล่านี้ได้หยุดหลายวันแล้วก็เดือนหน้ามีลายหยิบงานหลายวันลกะว่าเดี๋ยว คือจะพาคุณพ่อไปหาพี่สาวอะค่ะที่ที่ออสเตรเลียหนูก็เลยแค่ว่าจะไปส่งคุณพ่อแล้วหนูก็จะกลับมามาอยู่บ้านใช่ไหมคะช่วงที่ว่างว่าจะไปวัดเหมือนกันค่ะถ้ามีเวลาติดต่อกอันค่ะอคตอนนี้ก็ก็ปัดลองปฏิบัติ ด, ดูค่ะลุงพ่อก็ที่จะบอกลุงพ่อว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคือคือหนูก็ยังเข้าสมาธิไม่ได้นะคะหลุงพ่อแต่ว่าแต่ว่าพยายามนั่ง ปฏิบัติให้ได้หลายๆรอบในแต่ละวันนะคะมันก็เห็น <c oughs> เห็นความความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่มันเหมือนกับยังไงก็เข้าสมาธิไม่ได้คะ่ะเหมือนหนูหนูแบบชอบหลุดโฟกัสอะคะ่ะว่าแบบว่า <c oughs> จะโฟกัสตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะอย่างบางทีนั่งนั่งโฟกัสอยู่ที่พุทโธใช่ไหมคะ <c oughs> พอสักพักนึ่งพอเหมือนกับมันเริ่มจะรู้สึกรู้สึกนะคะว่าเหมือนกับเราจะเข้าไปสู่สุขไอความมืด ตรงนั้นนะคะที่มันจะค่อยๆดิ่งเข้าไปหนูก็จะไปทบรวงว่าเอ๊ะหนูโฟกัสผิดที่ไหมหนูต้องไปโฟกัสกับเสียงเสียงข้างๆหรือเปล่าเสียงรอบข้างไหมว่าตอนนี้หนูหนูได้ยินเสียงอยู่หรือเปล่าหรือว่าเสียงมันหายไปแล้วอะไรอยงี้ค่ะก็กลายเป็นว่ามันก็ดึงตัวเองกลับมาอีกเด้งออกต้องไม่สนใจอะไรต้องอยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวค่ะมันก็เลยจะมีอาการเหมือนเหมือนแอบท้อเพราะว่าหนูก็พยายามสังเกตตัวเองค่ะหลวงพ่อหนูรู้สึกว่าตัวหนูเนี่ย ยี่สิบนาทีแรกเนี่ยยังไงก็จะเหมือนจะเพิ่งเริ่มเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่ามีสติที่จะอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจอะคะ่ะก็คือต้องต้องก็คือต้อ ง, ต, องต้องนั่งให้ได้อย่างน้อยยี่สิบนาทีแล้วถึงจะเริ่มเริ่มแบบว่ามีมีกําลังในการที่จะแบบนั่งไปเรื่อยๆนะคะแต่พอก็ลองสังเกตตัวเองพอพอไปได้สักห้าสิบนาทีเนะะี่ยค่ะมันก็เหมือนจะดิ่งได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ คือเหมือนหนูชอบหลุโดโฟกัสจนบางทีมันทอ้ออะค่ะหลวงพ่อท้อว่าโออทําไมมันไ ม, ไม่ไม่ได้สมาธิสักทีเลยเนี่ยอย่าไปจ้อง อ, อย่าไปจ้องดูทน ใ, ให้อยู่กับพุทโธไปอยู่อยู่กับลงไปอย่าไปจ้องดูว่าเมันไหลเป็นจันระไรอย่างเงี้อย่าไปไม่ต้องไปเนีญญ่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่หนูทำไม่ได้ตอนนี้คือเหมือนกับพอมันเหมือนกับรู้สึกไม่โฟก็อยู่แต่เล่มเดียวไม่โฟกัสอยู่กับพุทโธแน่ๆค่ะ เหมือนที่หลวงพ่อบอกว่ามันเราจะรู้สึกได้ว่าพอเราจะเริ่มเข้ามันจะเหมือนกับมันก็จะผ่านความความผ่านความมืดผ่านความความแสงเล็กๆน้อยๆแล้วก็เหมือนพอจะเริ่มดิ่งเี้ยค่ะหนูชอบแบบเผลอไปไปกังวลกับเอ๊้เรานั่งตอนนี้เรานั่ง ต, ตรงอยู่หรือเปล่าหรือว่า เ, เสียงรอบข้างยังอยู่หรือเปล่ามันก็เล ย, เลยไม่ได้สัก่าต้องกลับมาที่พุทโธต่อตัองอ้งาที่ หี่นมต่อถ้าเาใช้นมก็กลับมาที่นมใช้พุทโธก็กลับมาที่พุทโธแต่แต่ก็แอบดีใจว่าว่านั่งได้คือมันไม่ได้ท้อแล้วก็ทําให้เราขี้เกียจนะคะก็หนูก็รู้สึกบางทีพอท้อปุ๊บหนูก็มานั่งฟังธรรมะหลวงพ่อต่อแล้วก็บอกตัวเองว่าลองใหม่ลองใหม่เนี่ยก็พยายามวันหนึ่งถ้าเป็นไมได้ก็อย่างน้อยก็สองสาครั้งก็ออกแล้วก็สักพักหนึ่งไปนั่งนั่งทํานู่นทำนี่แล้วกลับมานั่งใหม่อะไรอย่างนี้ยค่ะบางทีมันก็จะ รู้สึกว่าเออมันก็เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงมันก็รู้สึกว่าอ่ามันไม่ไม่ท้อก็ได้ลองไปเดี๋ยวมันก็คงจะจะได้ของมันเองสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่ควรจะทำก่วนมันนั่งก็เกิดควรจะเจริญสติให้ให้อย่างต่อเนื่องมัน <c oughs> แต่ลืมตาขึ้นมาเลยลตาขึ้นมาแล้วเริ่มพูดโทไปเลยหรือ <c oughs> ดูร่างกายไปดูว่าร่างกายกำลังทําอะไร <c oughs> ยถ้าไม่พุทธโทได้ไหมคะเหมือนพอพุทธโท เราดูล่างกายไหมอยู่กับสติเราให้ได้สติดูว่าร่างกายกำลังทําอะไรอยู่ค่ะเพรบางทีรู้สึกค่ะขอโทษค่ะเหมือนกับพอพุโทโธไปเรื่อยเรื่อยบางทีหนูรู้สึกหนูยิ่งฟุง้งซ่านเหมือนกับการเปนว่ามันไ ป, ต, ไป ต, รตรงนู้นตรงนี้เลยนเลยลองแบบเออถ้าไม่พุโทโธแต่ว่าลองลองเอาเราเอาตาเอาตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันมันก็เหมือนจะมันเงียบมันจะรู้สึกว่า โฟกัสได้ดีกว่าอะไรเงีย้ยได้ได้ได้ยังได้<ะ>ย่งางหนึ่งก็ได้ถ้าถ้าดูโฟกัสแล้เดี๋ยวมันเผยไปคิดก็ใช้พุโทโธนำกลับมาเองก็ได้ค่ะวันนี้พอดีได้ฟังอธรรมะหน้ากุฏิของหลวงพ่อด้วยค่ะมันก็มีเหมือนวันนี้ที่หลวงพ่อเทศคือเหมือนตอบคําถามหนูได้หลายข้อเหมือนกันคะ่ะว่าห น, หนูหนูแบบผิดตรงไหนผิดพลาดตรงไหนมันถึงแบบว่าเข้าสมาธิไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะพอหลังพอหลังจากฟังจะมา ฟังอ่อฟังเทศของหลวงพ่อหนูก็เลยลองมานั่งได้ไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะวันนี้ก็เลยเหมือนกับลองลองลองลอ ง, ลองเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคล้ายๆจะเพ่งค่ะคือแบบว่าไม่หลุดโฟกัสไปฟังเสียงไม่ไม่ต้องไม่บอกเลยว่าไม่ชั่งมันชั่งมันจะได้ยินหรือไม่ได้ยินชั่งมันหรือว่าร่างกายเราจะเอนตอนนี้มันจะเกรงหรือไม่เกรงก็ชั่งมันหนูก็ก็ดึงตัวเองไปในจุดที่ ที่เหมือนกับจะดิ่งเหมือนกันค่ะแต่ก็คุยไม่ได้ไปๆแตเดี๋ยวก็ใกล้แล้วเดี๋ยวก็ถึงเวลาข้อสําคัญอย่าไปอย่าไปอย่าไปลุ้นอย่าไปรเพราว่ามันเนี่ยค่ะนี่คือข้อผิดของหนูตอนเนี้คือความผิดพลาดหนมันแอบลุ้นทุกครั้งเลยค่ะเหมือนกับว่าเหมือนตื่นเต้นว่ยจะไป่ต้องสนใจมันจะลมไปเราก็อยู่กับลมไปแล้วอยู่กับพุทโธไปแต่แต่ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นนี่ก็ถือว่าไปถูกทางใช่ไหมคะหรือว่คือพะ เราจะรู้พียตรงที่เราไม่ได้อยู่กับลมไปตลอดเราชอบไปไปหวังไปอยากให้มันรวมเหมือนเหมือนที่หนูหนูไม่แน่ใจเคยบอกหลูงพ่อยังคือหนูเคยมีเคยเจอภาวะสภาวะที่ที่ดิ่งไปได้ครั้งหนึง่งแต่ว่าสมัยหนูเด็กๆ เ, เลยค่ะปี giving, ประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วหนูยังจําตรงนั้นได้หนูก็รู้สึกมันแล้วก็รู้สึกเหมือนอาจ แ, <king S 1> แ, แอบไปคาดหวั ง, งว่าอยากให้ได้เหมือนเหมือนตอนที่เราเคยดังนั้นค <backstage S 2> ือมันยังจําสภาวะนั้นได้อะค่ะมันก็รู้สึกว่าเอ้ยอ ดีจังเลย<ต>พอเราทำอ ย, าอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปคิดถึงมันได้ค่ะอย่าหนูจะลองลองพยายามใหม่จะลองลองทําให้ให้ให้ได้บ่อยขึ้นนะคะหนูดูลมแล้วใช้พุโทโธค่ะค่ะแต่เวลาทําใช้ใจไหลใช้ลมแล้วใช้พุโทโธคือหนูทํำหลายอย่างล้เมื่อคืนเหมือนกับที่หนูที่หลวงพ่อบอกะคะ่ะว่าถ้าเราลมหายใจแล้วเราไม่นิ่งแล้วก็เอาพุโทโธใช่ไหมคะบางทีหนูก็พุโทโธพุโทโธเร็วๆ พอเริ่มพอเริ่มนิ่งหนูก็เบาลงพอเริ่มรู้สึกว่าจะดิ่งก็ไม่พูดไม่ไม่คิดอะไรเลยไม่เอาทั้งพุโทโธดูถ้าลงหายใจแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะก็คือจะผสมผสมไปอนะค่ะดูจังหวะตัวเองว่าว่าตอนนั้นเราเรามีสติขนาดไหนถ้าสติน้อยก็พุทธโทรเร็วๆถ้าสติเริ่มมาก็ช้าลงพอมันเริ่มสบายสบายขึ้นก็ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ภาวนานแล้วว่าไม่ไม่ไม่พูดบริกรรมอะค่ะใช้เป็นดูเแา ค่ะก็จะสลับ<ต>ไปมาต้องดูดูดูลมอยู่อย่านั่งเฉยๆนะ่ะค่ะเพราะว่าพอพก็พ อ, อย่างที่หลวงพ่อบอกคือถ้าไม่ดูลมหรือไม่ดูอะไรเลยคือมันก็จะหลุดไปเลยมันก็คือเหมือน mm hmm. ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราทำอะไรต้องต้องโฟกัสที่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะพยายามอยู่ค่ะใจเย็นๆอย่าไปอย่าไปหวังอย่าไปอยากอย่าไปคิดแต่ว่าไม่รู้จะใช้คําว่าสนุกได้ไ่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แ พอพอเห็นการเปลี่ยนแปลงมันก็มีความรู้สึกอยากจะลองนั่งเรื่อยๆเรื่อยๆฟังมาถูกต้องมันได้กำลังใจค่ะอย่างวันนี้พอฟังธรรมะหลวงพ่อปุ๊บก็เหมือนมันมันได้สติว่า โ, โอเคโองพยาบคงจะเป็นเพราะเราโฟกัสอย่างนี้นะหลวงพ่อเหมือนวันนี้ได้ฟังได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้คำสอนมาโดยปริยายแบบว่าไม่ทันไม่ได้ตั้งใจ<ม>แต่ว่าได้คําสอนจากธรรมะของของหลวงหวงพ่อวันนี้ค่ะ<ม>หรือเรามานั่งได้ชั่วโมงหนึ่งรู้สึกว่าเอาหนูเห็นละว่าหนูผิดตรงไหนอะไรอย่าเงี้ยค่ะ ก็เลยเดี๋ยวจะจากวันนี้เดี๋ยวจะลองทําทําอย่างที่ได้วันนี้ดูอ่าทําไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีประสบการณ์แล้วมันจะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าผิดถูกตรงไหนค่ะขอขอบคุณหลวงพ่อมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงหนูจะเข้าไปกราบหลวงพ่อวันมาลืนนะคะท่านไม่ติดอะไรอ่าขอบคุณนะคะจงขอบคุณนรกาญาณดาราที่ว่าเาจาน้อมกับนามัสการเจ้าป่าพระอาจารย์ การปฏิการปฏิบัตินะคะผู้อาจารย์ก็ก็ก็ยังล้มลุกคลุกฮานแต่ว่าถามว่ามันสติเราไวขึ้นไหมไวขึ้นค่ะผู้อาจารย์เพราะยิ่งปฏิบัติยิ่งยิ่งเดินไปข้างหน้านั้นมค่ะผ้อาจารย์มันรู้สึกว่าจะแบบทดสอบมันจะมาบีบคั้นหัวใจเรานี่เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือครับผ้อาจารย์ ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้ไปสอบถามทุกคนอ๋อเดีค่ะอาจารย์ก็คือหมายถึงว่าเหมือนกับที่ลูกปฎิบัติก็คือเราไม่สนใจคนอื่นแต่สนใจแต่ตัวเราก็พอปัญหามันของเราปัญหาของคนอื่นเราไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วแก้ปัญหาของเราก็พอมันมีปัญหาก็ต้องแก้อย่าไปโยนไปให้คนอื่นแล้วบอกว่าคนอื่นเขาเป็นแล้วเราแล้มันจะไปแก้ปัญหาได้ไง เหมือนกันก็เหมือนแต่แตมันมีปัญหาวราต้องแกล้ากั น, นก็คือเหมือนถือว่าที่ปฏิบัติที่ที่ได้ขึ้นเขาไปหลายๆได้หลายๆวันนะก็คือการดือ้อคือการดื้อไปแต่พอพ่อไม่สบายรู้สึกว่าโอกาสมันมันยิ่งยิ่งน้อยตรงนี้แต่ว่า ได้ถามว่าดื้อจะขึ้นเข่าไปได้ไหมนั่นก็ขึ้นเข่าได้แต่ว่าก็มันรู้สึกว่ามันดิบคั้นหัวในหัว ใ, วใจครับอาจารย์มันดิบคั้นในหัวใจแบบแบบคล้ายๆกับว่าละล้าละหละังไปข้างหน้าก็ห่วงไปข้างหละเดินไปข้างหน้าก็ห่วงไปข้างหลังก็ห่วงคว่าอาจารย์จะแี่ปัญหาอย่างไงบ้างพระอาจารย์ชี้แนะได้วยรูปได้ค่ะพระอาจารย์ ก็เราเป็นคนสร้างปัญหาเองแล้วเราตัดสินใจเรื่องจะไปข้างหน้าแล้วไปข้างหลังเองถ้ามันไม่ไปแล้วพี่เสียดายนอ้องมันก็ติดอยู่อย่างนี้นะ่ะก็ก็จะติดอยู่ในหวังวนนี้อ่าจนกว่าสิ่งที่เราติดเขาตายจากเราไปแต่อย่างนี้เขาไปติดอย่างอื่นแทนเงีงมันชอบติดมไม่ชอบไปคนถึงหาเรื่องติดเรื่องนี้นนะ ถ้ามันชอบไปมันก็ไม่สนใจใครนะกู้ไปของกูคนเดียวนะใครจะเป็นจะตายก็ใ น, นของเขาเนะี่ถ้าไม่มีภาระหน้าที่ต้องทำก็กงไปถ้ายัางมีภาระหน้าที่ก็ต้องอยู่ก็ต้องอยู่ไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เราไม่มีคําถามค่ะตอนนี้เพียงแต่ว่าการปฏิบัตินะก็ปฏิบัติอยู่นะคะพรอาจารย์กำลังปฏิบัติอยู่ทุกอย่างเลยจ้า ่าัคุณลูกตาอันนี้มาฟังทํานที่กุเตแต่ไม่ได้ยนได้จอกันอยู่ตัวจริงคนละคนเลยอ่านหดไปแล้วก ด, กดปุ่มเพลิงเห็นออขอข้ามไปก่อนนะคุณสาธกาชายหน้านะไม้ยังชัยหน้า น้ำมาขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ไม่น่าท่วมาค่ะดูน้าท่วมค่ะค่ะมาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติอยู่ค่ะโอเคสาธุจา้าคุณดิศยาจายันทนาราที่ว่ามรดการค่ะพระอาจารย์อาทิตย์นี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์กลับบ้านได้ยัง แม่กลับบ้านแล้วค่ะแม่อยู่อีกจอนึงค่ะอยู่หนูอยู่อีกที่หนึงค่ะนี่อยู่หนูอยู่ที่ออฟฟิศที่สอนค่ะแต่ว่าก็มามานอนที่นี่ค่ะค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ใช้พยายามใช้ธรรมะของพระอาจารย์ค่ะประคองไปค่ะแต่บางทีก็มีมีตําราค่ะแต่ว่าก็ต้องหนูจะรู้สึก ชอบอิงตำราให้มันเป๊ะๆค่ะเวลาลองใช้อะไรเนี้ยจะรู้สึกว่าได้หรือเปล่ามันเป็นจะเป็นยังไงจะรู้สึกกลัวๆนิดนึงค่ะแต่ตอนนี้ก็เอาเอามาใช้อยู่ค่ะก็ได้ผลได้ผลดีค่ะพระอาจารย์ยังนั่งอยู่กับที่ น, นานๆ ย, ยังทำเยอะอ่ายังช่วงนี้ไม่ได้ทําเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้มีงานที่ต้องไปออกทุกวันค่ะยังช่วงสัปดาห์นี้ยังไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ อืมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะถ้าเซตระบบได้จะทำต่อค่ะอาจารย์อืมค่ะโอเค่าธุสาธุค่ะอ่าไปที่คนอลิสายังไหมอลิสาโคลาดใช่เป่าอ่านชื่อผิดหรือเปล่ามือ พระอาจอาจา ร, ร, ารย์เจ้าค่ะอ่าอีกคาถามอันนี้สองเจ้อค่ะอ่ามาคือเหมือนมีความคงเครื่องรักษาศีนมากเลยเจ้าค่ะเหมือนไม่เข้าใจหลักการหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนรักษาศีนยิ่รักษายิ่งรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยเจ้าค่ะอย่างเหตุการณ์แรกที่ถามพระอาจารย์ก็คือเอ่อถ้ามีคนที่เขาอไม่เห็นการจริงนะเจ้คะเขา พขาซื้อของผิดวิกิ์มาแล้วมันอยู่ในบ้านซช่ของลอฟปอิงเนี้ยแล้วบางทีเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นของลอฟแล้วเขาใช้ให้เราไปหยิบให้เขาใช้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปหยิบมาให้เขาเพราะมันไคําสั่งแล้วจะเหมือนเราสนับสนุนให้เขาข้าผิดเราจะมีส่วนผิดนั้นด้วยไหมเจ้าคะอย่าไปเพ่งขนาด น, นั้นเลยคือเรื่องราวเหานีเ้เรื่องธรรมดาในสังคม ก็ถือว่าไม่ผิดแล้วก็ทำตามเขาไปตํารวจไม่จับก็ถือว่าไม่ผิดแล้วละ่ะโอ้งั้นงั้นเจะอยู่ยากมากเลยใช่ไหมเจ้าคะออถ้าเราจะาตงเปรียบตามําลาก็ไม่ต้องทําอะไรแนละ้วเขาเขาจะหวังว่าขนหนูไหมเจ้าคะท่าอาจารย์ตัวที่กังวลเนะ่ะที่จะขวางเราต้องรู้จักว่าศีลนี้ไว้เพื่อสนับสนุนแม้เราไปทําบาปที่ร้ายแรงเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ อนไรทำแบนี้แต่บาปแบบเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยนี่มันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของที่เขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติก็กัว อ, อย่างที่สองก็คือที่ที่หนูอยู่ค่ะเขาตั้งกฎหมายกําหนดให้ให้ทํางานไม่เกินวันละ8ชั่วโมง6วันต่อสัปดาห์ก็คือสัปดาห์ละ 4.8 ชั่วโมง 6.8.8 แล้วแต่ว่าที่ที่อยู่คือเขาให้ทําคนละ8ชั่วโมงครึ่งแล้วบางทีก็จะมีให้ทําเรียงมาทําตอนพักกลางวันด้วยแต่กฎหมายกําหนดว่าต้องพั ก, กวันละ1ชั่วโมงไม่ไม่ไม่ไมไมกลับมน1ชั่วโมงบ<ๆ>างทีเขาก็จะใช้ให้หนูไปเป็นเรียกใช้คนงานตอนพักเที่ยงอย่างเงี้ยเจ้าค่หรือว่าตอนเช้าที่ยังไม่ที่มันเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยหนูก็จะคิดอีกว่าหนูก็จะบาปด้วยหรือเปล่าอย่างเงะอันนี้หนูควรทําไงดีก็ค่ะ ไม่บาปบรอกมันเป็นเรื่องปกติของสังค ม, มก็ทํากันอย่างนี้ก็ทําไปกัแล้วกันอยู่เมืองเลวต้องเลวตาตามอย่างเราก็ต้องไปบวปชบัญชีอยู่คนเดียวยนะนถ้าถ้าคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนก็อย่าไปเดือดร้อนเลยดูคนอื่นเขาเขาทำมันยังไงเราก็เลวตาตามไปกับเขาเขาเลวตาแล้วก็เลวตาไป ถ้ oh. เาเราอยากจะให้ศีลบริสุทธิ์บดจุดไม่มีบกหร่องแล้วก็ไปบวชทีแล้วไม่อยู่คนเดียวก็บวชได้เหมือนกันนะเจ้าคะแต่ว่ า, าไปสิก็ไป ส, ไปสิไม่มีใครห้ามก็ อ, อยากจะสบายใจก็ไปบวชทีลยโลกนี้มันก็เป็นอย่างเนี้ยว่าถ้าหนูยังยังอยู่เป็นคาราวาสแล้วยังต้องทําสิ่งนี้อยู่หนูก็จะไม่มีวันบรรลุมรรคผลใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องไปบวชอนะ่ะถึงเงจะไปเข้าถึงมรรคผลได้ถ้าเป็นคาราวาส ตอนให้ศีลบร้อยสุดยังไงมันก็แค่ศีลห้ามันไม่พอมันต้องปฏิบัติศีงแตดขึ้นไปโอเ ค, okay, อคนะ อ, คอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้สนับสนุนให้ทำบาสนะหลาบางทีเราอยู่ในสังคมที่เขาทาเป็นปกติแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องทําตามเขาไปนะั่นเองหรือถ้าเราอยากจะรักษาศีลบร้อยสุดแล้วก็ไม่ต้องไปทํางานอยู่บ้านของเราคนเดียวไม่้องไปยุ่งกับใคร เจ้าขอหลังจากของกุญแจเจ้าทูเนี่ยเจ้าเุกแม่ต้องเห็นเชิกาบสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมเจ้าขาได้ยินจ้าเจ้าขพระอาจารย์ของหนูก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเจ้า่าพระอาจารย์หนูก็พระอาจารย์คะตอนพอดีหนูมีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่าก็มีเคยมีปัญหาตอนลดข่นะคะ แล้วทีนี้ตอนลดคล่องเคยแบบอ่ามีประสบการณ์คือตอนก่อนฟื้นก็เหมือนพนนอนหลับก็คือไม่รู้ตัวแต่พอฟื้นขึ้นมาตอนประสบอุบัติเหตุมันเรามารู้สึกเจ็บร่างกายอะค่ะพอาจารย์หนูก็เลยเข้าไปแบบสวดอิติปิโสมันก็ช่วยด้านใจได้เจ้าค่ะพอาจารย์พ อ, อปุ๊บมาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการขาดสารด้านสมองค่ะพระอาจารย์หนูก็ได้ประสบการณ์ คือมันเหมือนตอนคนที่แบบนอนหลับแล้วมันจะไม่รู้สึกเจ็บร่างกายอะค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าฟื้นขึ้นมามันก็จะมาเหมือนใจมาเกาะร่างกายอย่างค่ะพระอาจารย์ช่วงนั้นหนูก็เลยแบบต้องอาศัยแบบเหมือนเหมือนนีอะค่ะพระอาจารย์ช่วงก่อนที่จะมาปฏิบัติพระอาจารย์เราไปเจอคือเหมือนแบบมันเจ็บปวดแต่ก็ไม่อยาก ทานยาแก้ปวดมากเดี๋ยวตับกับไตอะไรเงี้ยมันจะพังอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบเข้าสมาธิแทนเหมือนนอนสมาธินะคะพระอาจารย์ไม่ได้นั่งสมาธิเพราะว่ามันนั่งไม่ได้อะค่ะเพราะว่าอยู่บนเตียงเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเข้ามันเหมือนหนีก็เลยเข้าสมาธิตอนที่ผ่าสมองค่ะพระอาจารย์เพราะว่าผ่าสีรอบเลยค่ะพระอาจารย์มันก็จะปวดถ้าตื่นขึ้นมาก็จะเจ็บร่างกายมากอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็ได้ประสบการณ์เรื่องความเจ็บปวดคือเมัน มันหลับตาแล้วหนีไปแล้วก็ค่อยตื่นมาแล้วก็ค่อยเปิดตามาใหม่แต่มันก็มาเจ็บร่างกายอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็ใช้แบบการประครบเย็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ให้ทานยาเยอะเดี๋ยวไตมันจะพังอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทีนี้อรอบล่าสุดที่หลังจากปฏิบัติกับพระอาจารย์ใช่ไหมคะเราฟังธรรมที่บอกว่ายอมรับคือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพอไม่หนีแล้วก็ลองตอนที่ผ่าล่าสุดเนี่ยนะคะพระอาจารย์ ก็เลยได้เห็นว่าไม่ต้องหนีนะคะเพราะถ้าใจมันไม่มาคิดว่าร่างกายเป็นของหนูค่ะมันก็ไม่ได้มาทรมานค่ะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ขอยาแก้ปวดเลยค่ะหนูก็เลยว่าเอใญญา้ใช้ปัญญาเ<น>ใช้ปัญญาใช้ป<น>ัญญามันก็จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวร อ, อยู่ความปวดได้เพราะว่าผู้ที่ปวดไม่ใช่เราผู้ที่ปวดคือร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เอาไป <Okay, S 2> แตงรับรู้เฉยๆก็รู้ไปเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปสมวผู้เล่ะพระอาจารย์ดีใจมากเพราะคือได้พอทําทจากพระอาจารย์แล้วแบบโอ้หนูก็เลยบอกว่าถ้าหนูยิ่งหนีหนูก็ยิ่งจะปวดและทรมานร่างกายค่ะพระอาจารย์แต่ถ้ายอมรับอย่างเงี้ยค่ะใจมันก็ง น, นี้เลยค่ะมันร็บล่อมันก็ไม่มาสนใจจจเย็นเลยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบโอ้ได้เห็นว่า ถ้าใจทิ้งร่างกายไม่ใช่ของมันจริงๆอ่ะนะคะอาจารย์สามารถทดสอบกั บ, กบความเจ็บปวดทั้งด้านร่างกายกับการผ่าตัดไม่ได้เลยค่ะอาจารย์หนู ก, ก็เลยไม่ได้ข อ, อยาแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้ไวอะคะ่ะหนู ก, ก็เลยโอ้โหข้อดีของธรรมะเลยค่ะพระอาจารย์ ก, ก็รมะโอษฐ<จ>์เนี่ยธรรมะปัญญารักษาโรคใจูใช่เลยค่ะอาจารย์หนูแลว้วผมไม่ต้องไปซื้อยาเลยจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษา ใจจากธรรมะอบสดเป็นยาที่ดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็ดีใจเลยค่ะพระอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติบัตนะคะแล้วก็ยอมซึ่งร่างกายค่ะพระอาจารย์ดีมากโอเคนะทําต่อไปนะต้ญญองข่าศพไหมที่กรูรศากับแที่บ้านแล้วนะหลวงรูนวัตการกับพระอาจารย์อืมเป็นยังไงมาคราวนี้ ได้ผลอะไรบ้างไหมได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมดีมากเลยค่ะพระอาจารย์เริ่มตั้งแต่การที่เดินไปที่ที่พักที่โรงแรมใช่ไหมคะห้องที่จองเอาไว้มันเต็มเขาก็เลยอัปไซต์ห้องให้ค่ะจากห้องสองคนเป็นห้องสี่คนโยมก็ไปยืนมองเตียงโอ้โหเตียงใหญ่แต่เราก็แค่ดึงผ้าห่มมาปูนอนที่พื้นมันก็แค่นั้นนะคะอาจารย์แล้วพอขึ้นเขาก็ไป เรือนสูงใช่ไหมคะไปเจอฟูกมันหนาหนาหนาประมาณห้า น, นิวา้วค่ะก็ยืนมองเออเราอุตส่าห์รักษาศีลมาไม่เราจะไม่ยอมไม่ศีลเราขาดโยมก็ขยับออกไปเดือครึ่งหนึ่งโยมก็นอนเตียงแค่เกระดานหน้าหกนิว้วค่ะสี่แผน่นแล้วก็พับผ้าหม่มพับครึ่งแล้วก็ตอนที่มองโอโ้โหเท่ากับโลงศพเลยแล้วพอนอนครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วดึงผ้าห่มมาคลุมมันมันตราสัางเลยค่ะคิดอย่างนั้นนะคะอาจารย์ แล้วก็การปฏิบัติธรรมที่ขึ้นไปสองสาวันแรกมันฟุ้งค่ะโยมก็เลยหันมาพิจารณาสุภาแทนพอแปลงฟันมันเห็นภาพกะโหลกแล้วเรากำลังแปลงฟันในกะโหลกอะค่ะอาจารย์ถ้าเป็นมาก่อนคงหลอนคงคงแบบโอ้โหตกใจค่ะแต่ตอนนี้ก็คือใช้วิธีนี้แทนแล้วพอกลางวันนั่งไม่ได้ฟุง้งโยมก็เลยมานอนเอาผ้าห่มมาคลุมได้ครึ่งหนึ่งค่ะเสียงมันขึ้นมาในกลางอกว่าดือ้อ ดือ้อนิสัยไม่ดีเสียงของอาจารย์ชัดๆเลยค่ะอาจารย์เสียงอาจารย์เลยค่ะพูดขึ้นมาว่าโอ้ดื้อดื้อนิสัยไม่ดีโยมก็เลยสลัดผ้าออกแล้วก็ลุกขึ้นพับๆแล้วก็ไปล้างหน้าเดินจงกรมแทนค่ะอาจารย์แล้วก็มาคิดว่าเออเรานิสัยไม่ดีจริงๆดนะ้วยเนาะเพราะเรายังมีความโลภยังมีความโกรธก็เลยใช้เดินจงกรมกับนั่งภาวนาตลอดค่ะอาจารย์แล้วก็ขังตัวเองอยู่ในเรือน ตั้งแต่วันอาทิตย์ครึ่งวันออกวันสุดท้ายของวันเสาร์ที่จะลงอะคะ่ะตอนเช้าวันเสาร์นั่งภาวนาได้นั่งแล้วพอออกมามันมีความสุขนะคะจางยมก็ลงมาลงมาที่พื้นแล้วก็กราบขอบคุณเรือนเปิดประตูออกมาเพื่อจะมากวาดทาความสะอาดออกมารู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะจาย์ก็เดินมีความสุขตลอดเส้นทางที่กวาดเรือนอยู่อะค่ะจาง น, นั่นคือสิ่งที่เจอนะคะแล้วก็พอลงมาจากเขามาที่ศาลา ก็เพื่อขึ้นจะไปเอาซองใช่ไหมคะเจอน้องๆที่มาปฏิบัติธรรมเขาก็เข้ามาทักทายสวัสดีค่ะแล้วก็ถามโยมว่าเขาสนใจจะขึ้นไปแต่เขากลัวเขาจะทํำยังไงดีโยมก็บอกว่าหนูต้องถามพระอาจารย์นะอย่าถามเพราะว่าอาจารย์ไม่ให้สอนแต่จริงๆโยมนี้ตัวกลัวเลยค่ะอาจารย์ทุกวันนี้โยมก็ยังกลัวนะคะวันที่โยมขึ้นเขาแบบไม่มีพักเครื่องนันนะคะ โยมก็โยมขอสารภาพว่าโยมไปขอขวดน้ําที่อาจารย์ดื่มแล้วก็อาจารย์ตั้งไว้ให้น้องเขาทิ้งโยมมาถามหนูเจ้าขวดนี้ไปไหนเขาบอกทิ้งทั้งนั้นป้าขอก็ เ, เลยเอาขวดนั้นขึ้นไปบนเขาด้วยค่ะอย่างน้อยที่สุดก็อุ่นใจค่ะอาจารย์ขวด น, น้ําก็เป็นวัตถุของคนได้นะใช่ค่ะโ ย, ยมเอากลับมาตั้งไว้ที่ทิ้งที่ร้านโยมนะคะโยมเอากลับมาด้วยค่ะอยู่ที่เราจะสมมติมันขึ้นมาโ ย, ยมโยมรู้สึกว่า มันคือกำลังใจนะคะจาย์มันเป็นสิ่งตัวแทนของคนที่เราเคารพบูชาก็ได้ค่ะจังเอามาไว้เป็นกำลังใจพอยมปล่ยยมกล่อยยมก็เห็นเดี๋ยวจะโนข่าวนะไม่ไม่ไมค่ะยมยมขนาดกะครับต้นโพยังโดนห่าเลยนี่ยมไม่สนใจใครคนมันฉลาดเก่งมากในนี้แม่แต่ต้นโพโอกาศไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าโอกาศไม่ได้ค แล้วก็ในกระเป๋บบายมบังกต้นว่ามีใบโพจากต้นพัชรีมหาโพธิ์อยู่ในหนึ่งใบโยมก็รู้สึกอุ่นใจค่ะทีนี้ความกลัวของโยมนะคะอาจารย์มันยังมีอยู่ลึกๆค่ะอาจารย์โยมอยากทราบว่าโยมควรจะทํายังไงกับมันจริงแต่การขึ้นเขาคือโยมดับเครื่องชนแล้วนะคะแต่ยังกลัวอยู่ค่ะต้ <ผม S 1> องพิจารณาความตายของร่างกายว่ามันหนีไม่พ้นจะต้องตายแน่ๆยอมตายแล้วมันก็จะให้กลัวคใช่รช่ โยมจะต้องใช้อันนี้แต่ว่าถามว่าโยมขึ้นเขาแต่ละครั้งโยมทําใจไปแล้วค่ะอาจารย์อืมยังไม่เต็มยังไม่เต็มร้อยไงทำใจยังไม่ได้เจอในเหตุการณ์จริงต้อเจอเวลากลัวแล้วถึงต้องทําใจลอนนั้นนะท่าจะเป็นของจริงค่ะแล้วความกลัวมันจะดับไปถ้ายอมตายกับความกลัวจะหายไปเลยค่ะโยมก็เลยว่า อให้หนูให้น้องน้องที่มาถามนะคะโยมว่าหนูลองถามอาจารย์ดูแต่การถามของโยมครั้งนี้คิดว่า<ม>ก็คงเป็นประโยชน์กับน้องที่เขาดูอยู่อะคะ<ม>่ะแล้วจากการที่โยมขึ้นไปบนศาลายอมทาไม่ทราบว่ามีคนดูอยู่ในห้องสุมนอกห้องสูงเยอะอยู่นะคะอาจารย์ค่ะ<ม>เป็นประโยชน์กับเขาด้วยค่ะอาจารย์<ม>ค่ะโยมจะเอามาใช้ค่ะดีค่ะโยมโยตั้งใจว่าจะขึ้นเขาให้ได้ทุกเดือน แต่ว่าเดือนนี้คงไม่ได้ไปคงต้องไปเดือนหน้าแทนค่ะอาจารย์นี่เป็นความตังใจที่ดีถ้ารักษาได้ <c oughs> แต่ว่าค่ะ <c oughs> เดือนนี้คงไปไม่ได้ครับเพราะสามียมจะผ่าตัดตายมก็ต้องอยู่กับเขาครับ อ, <c oughs> อ่าก็ไม่เป็นไรทาหน้าที่ไปแบ่งเบาแบ่งภาระแบ่งหน้าที่ให้มันถูกตามความจาเป็น ยมต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะขอบคุณจากใจจริงเลยคะ่ะอาจารย์ว่าโยมโชคดีที่โยมไม่ต้องไม่เหมือนลําบากเหมือนกับรุ่นพ่อแม่ครัวอาจารย์ที่จะต้องเดินไปเดินทางไปหาผู้พู้สอนแต่โยมก็มาเจออาจารย์ยมนั่งในซูมแล้วโยมก็คือขึ้นเขาเพื่อไปทําข้อสอบแล้วก็กลับมาทับมาอยู่แล้วก็ขึ้นข่าค่ะอาจารย์ยมถือว่าโยมโชคดีมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ยมต้องขอบพระคุณด้วยเสียงก้าวเลยนะคะแล้วก็ขอ ดีใจที่สถานที่เป็นเป็นสถานที่ที่สามารถทําให้ความเจริญก้าวหน้าทางธรรมเกิดขึ้นได้ก็ดีใจด้วยมีความสุขจริงๆนะคะจาย์พอออกมาปุ๊บโอ้สวยมีความสุขแล้วก็เดินตามระเบียงขอบคุณขอบคุณขอบคุณตลอดเดินจงกรมโยมคือขอบคุณขอบคุณขอบคุณไม่ไม่ใช่สุขเพราะได้ออกจากคุกหรือเปล่าได้กลับบ้านหรอเไม่นะคะโยมยังคิดว่าถ้าอยู่ต่อยังอยู่ได้นะคะจายัอ เขาเป็นคำพูดว่าเวลามาเหมือนหากินเวลากลับบ้านนี่เหมือนไก่บินหรือเปล่าไม่นะคะจารย์ยกคิดว่าอยู่ต่อได้นะคะอยู่รู้สึกว่าการกักตัวนี่มันดีนะคะจันดีจริงค่ะไม่ได้ดีไม่ได้ดีใจเพราะได้พ้นจากการกักตัวนะไม่ค่ะไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยค่ะคยังคิดว่าสามวันอีกสามวันยังมีกําลังจะถ้าเมื่อก่อนสามวันจะได้กลับแล้วอีกสามวันแล้วเหรอยังทําไม่ได้เลยอีกสามวันแล้วเหรอ แต่โยมก็เข้าใจว่าโยมตั้งใจเกินไปมุ่งมั่นเกินไปคาดหวังเกินไปค่ะโยมก็เลยมาผ่อนปลนมันให้สบายๆแล้วถึงก็รวมได้ค่ะความฟุ้งมันก็หายไปค่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดุนะคะอือก็ต้องเข้าๆต้องไปๆมาๆอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาบ้านสักพักหนี่ยมันก็เริ่มฟุ้งอีกสติมันก็เริ่มอ่อนอีกโยมเริ่มเบื่อโยมโยมเริ่มเบื่อที่บ้านค่ะอาจารย์โยมรู้สึกว่า ยมอยู่บนเขารู้สึกมีความสุขค่ะไม่ต้องลำบากอะไรเลยเช้ามีคนอาหารมาส่งหน้าที่ของโยมคือเดินนั่งนอนแค่นั้นเองอพอกลับมาบ้านต้องขับมอเตอร์ไซค์หาของกินโอ้หุนวายค่ะอาจารย์หุนวายมากๆเลยค่ะรถแถงธรรมนะรถทั้งปวงอ่าโอเค okay, สาธอาาุอาจารย์รักษอาจารย์อยู่เป็นวมโพรุ่มไสให้โยมไปนานๆ น, นะคะก็ต้องบอกร่างกายบอกมันไม่ได้มันจะอยู่หรือไม่อยู่เราไปสั่งมันไม่ได้ ทุกข่าพะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะโอเคคุณแนนต่อจากุณนอนทันดีการนอมรับประการพป่ะอาจารย์ไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคมันดูอะไรไม่มมันดูอ <c oughs> ไมย่างมีมีอะไรเลยค่ะตอนนี้บไม่ได้นะบอกไม่ได้นะอนะอโอเคขอ บ, บคุณเูื้อแต่ ข, ขามทุกน้อยลงมากๆเลยเจาย้าค่ะโอเค่าสัเทค่ะ คุณแนทใช่ไหมคุณแนจากคุณตาจําไม่ผิดชื่อไม่ได้ปรากฏบนจอครับนมัสกาลพระอาจารย์ค่ะคุณตาไม่อยู่วันนี้วันนี้ใต้ยังไม่เสร็จวันนี้ยังไม่ได้กลับบ้านกันเลยค่ะอใตายัง ท, ที่ทํางานอยู่เลยใช่ค่ะกลับกลับพระอาจารย์แทนต้าด้วยค่ ะ, ะมีอะไรไหก็<น>ยังปฏิบัติค่ะเ<น>พรอาทิตย์นี้คือ เออรู้สึกว่าจะพยายามมรณานุสติคะ่ะรู้สึกได้มีข่าวเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของชีวิตใช่เดินไปก็เดิ่ไยชอบเนยใช่ค่ะก็ะเลยตระหนักว่าไม่รู้ว่าเราตัวเราจะแบบเหมือนมีอายุถึงเท่าไหร่ก็ใช้โอกาสช่วงที่ยังมีชีวิตแบบพยายามภาวนาค่ะคิดถึงความตายแล้วมันจะได้เห็นคุณค่าของชีวิตที่เราใช่ค่ะเวลาเราไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่เราเรีบเร่วยโอกาสน้าขึ้นแทรีบตัด กลัวว่าแบบพอตายไปแล้วชาติหน้าก็จะลืมว่าเราก็ควรจะแบบปฏิบัติยังไงเพราะกว่าชาตินี้จะมาเข้าใจแบบธรรมะก็ใช้เวลามาพอสมควระ ค, ะค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ดีใช้ความตายคอยเตือนคอยเตือนในเวลาที่เราประมาทเวลาที่เราขี้เกียจเนี่ยความตายเจยช่วยกระตุ้นความเพียรของเราได้พระอาจารย์ค่ะก็ขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะอาสาธุค่ะค่ะ อ่าจา์สายทิพย์อันนี้อยู่ขอนแก่นใช่ไหมอยู่ขอนแก่นเจ้าค่ะวันนี้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อค่ะพระอาจารย์พรุ่งนี้ค่อยไปทำงานใหม่ยังยัง ย, ย, ยังไม่ได้เลิกงา น, นยังค่ะที่ว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มาทำงานค่ะร้านขายยาอ๋ออ่าจะมีเวณสลับกันค่ะพระอาจารย์มีมีเป็นเจ้าของร่วมกันสามคนยังไม่อนตัว ่หนูกำลังจะถอยๆแต่ว่าก็ยังมีหุ้นอะไรเงี้ยค่ะยังหาคนมาทํำฟูลทามไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ยังไม่มีคนมารับซื้อหุน้นยังไม่มีคนมามเป็นเภสัชกรประจำให้ค่ะก็เลยต้องอสลับกันอยู่ค่ะก็เลยแล้วก็แฟนๆที่จะย้ายมาอยู่ขอนแก่นว่าจะทําที่บ้านแทนค่ะพระอาจารย์จะได้ปฏิบัติที่บ้านไม่ต้องไม่ต้องไปไปมามาค่ะกําลังวางแผนกําลังจะ แต่ปรับปรุงตึกพรุ่งนี้ค่ะพระอาจารย์เริ่มแล้วค่ะที่จะค่อยๆเอาตัวเองกลับมาอยู่บ้านค่ะดีส่วนทางนู้นก็ปล่อยให้เขาเดี๋ยวสักหน่อยคงจะปล่อยให้เขาไปหาเป็นส่วนใหญ่เราก็อาจจะมีกําไรแบ่งมานิดหน่อยพอให้สอนงานสอนก็ยังทําตอบเลยงานสอนยังทํำอยู่ค่ะพระอาจารย์ยังยังสอนเหมือนเดิมแล้วก็มีวิจัยด้วยค่ะช่วงนี้งานหนักหน่อยเพราะว่าตั้งใจว่ากั้นใจทํา สักถึงอายุห้าสิบห้าค่ะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อค่ะอตอนนี้เหมือนทําแล้วก็เก็บตังก่อนแล้วก็บริหารอนาคตว่าถ้าเราจะออกอะไรเงี้ยค่ะก็ให้มันแบบสบายใจว่าไม่ต้องห่วงอะไรค่ะพระอาจารย์ค่ะช่วงนี้งานเยอะเลยค่ะภาวนาอะไรนะว่าไม่ค่อยไปแบปฏิบัติพองานเยอะภาวนาไม่ไม่ค่อยลงค่ะพระอาจารย์แต่ก็พยายามนั่ง สินได้แค่หกจุดห้าตลอดเลยค่ะพระอาจารย์ <laughs> แคมโก่มๆ <laughs> ไ, <laughs> ได้แค่หกุดห้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวจะพยายามให้มันไต่ไปเต็มทีละหน่อยค่ะพระอาจารย์วันนี้ได้ยินคำว่าเวลามีจากัดก็ <laughs> จริงเนาะอะไรเงี้ยค่ะเรานี่ก็เล่นเหลือเกินค่ะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะพวกเราค่ะ <laughs> ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ค่ะ <laughs> <laughs> พอได้ฟังก็จะ ก็เริ่มมีกำลังใจว่าต้องตั้งใจแล้วล่ะให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะพ อ, อาจารย์ค่ะหนูมีมีวันนี้วันนี้หนูคิดเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็เลยสงสัยว่าอตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยคนเนี้ย คนนี้เขาดีแล้วก็รักเราเรารักเขามากเราจะดูแลเขาเต็มที่เราก็แบ่งโซนคนนี้ดูแลหรือว่าไม่ได้รักเรามากเราดูแลเขาปานกลางคนนี้ก็เฉยๆกับเราเราก็เฉยๆกับเขาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พอคิดแบ่งโซนไปแบ่งโซนมาเอ๊ะวันนี้มันคิดไม่ถูกนี่นะเราควรจะรักและเมตตาทุกๆคนเท่ากันใช่ไหมคะพระอาจารย์คือมันมีสองอย่างรักเมตตาเนี่ยรักเท่ากันได้ การตอบแทนบุญคุณนี่ไม่เท่ากันได้ออคนไหนมีบุญคุณกับเรามากเราก็ตอบแทนเขามากคนไหนมีบุญ ม, มีบุญคุณน้อยเราก็ตอบแทนก็น้อยอ๋อค่ะไม่จําเป็นตัดคนเรื่องกันเมตตาเราก็ยังเมตตาเหมือนเดิมนักเขาะสงสารเขาอะไรต่างๆเหมือนเดิมไม่ทําร้ายเข า, า <l acht> ไม่ปอะไรเขาค่าแต่การตอบแทนบุญคุณนี่มันควรจะเป็นไปตามตาม ตามมาตามไปก็ตามกฎแห่งกรรมอาองั้นหนูก็จริงๆก็คิดถูกอยู่แต่ตอนแรกหนูก็เลยเอ๊หรือว่ามันมันผิดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ไม่ผิดหรอกยังยการให้รางวัลคนเราก็ต้องดูคนไหนเขาทางานมากน้อยคนทํางานน้อยเราก็ให้รางวัลน้อยหน่อยอันนี้ทํางานมากให้เป็นทําประโยชน์ให้กับเรามากเราก็ต้องให้รางวัลเขามากหน่อย ค่ะตอบแทนบุญคุณเอ่อวันหน่วนกาตันยูกาตะเวทีต่อผู้มีพ่ะคุณใช่ไหมคะใช่แต่ส่วนเมตตก็คือเราไม่คิดทําร้ายใครไม่เบียดเบียนใครตรงนี้เราพยายามทำให้อภัยให้อภัยอไม่จองเวรจองกรรมค่ะในการตอบแทนบุญคุณนี่ก็ต้องดูบุญบุญคุณของผู้ที่เขาทำกับเราว่าเขาเบีบุญคุณอกัาเราบางน้อยเพียงไร ไม่ใช่คนมีบุญคุณนิดเดียวกับไปตอบแทนก็เยอะแยะแล้คนที่มีบุญคุณมากกับไปไวตอบแทนก็นิดเดียวเรอเดาคิดผิดแนะหรือว่าเราคิดผิดหรือว่าเราต้องดีทุกคนเท่าๆกันอะไรเงี้ยค่ะภรอาจารย์ก็เหมือนลูกอ่ะบางคนเขาเชื่าพ่อแม่ต้องแบ่งกันแบ่งเขาแบ่งเงินกรดกให้ทุกๆคนเท่ากันแต่ความจริงพ่อแม่คขาจะดูความดีความไม่ดีของลูกแต่ละคนก็ได้ค่ะยังดูพ่อแม่มากน้อยเท่าไหร่ให้ความเคารพรักพ่อแม่มากน้อยเท่าไหร่ก็อาจจะให้มากน้อยต่างกันก็ได้ อืมอืมเข้าเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์อตอนื้เติบลงเติบลงทางไปแล้วค่ะค่ะแล้วมันพูดพูดเบจเทานั้นแล้วพูดตามความเข้าใจของเราหนูจะเชื่อพระอาจารย์ค่ะแล้วหนูก็คิดว่าคิดว่าถูกแต่ตอนแรกก็เลยเออเราผิดนะค่ะ อ, อ <c oughs> าจารย์ค่ะแล้วมีวันหนึ่งหนูลองคิดว่าตัวเองก็คือไม่มีเราไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ แั้นเราลองคิดว่าเราเป็นเหมือนแบบเราไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้ววันนั้นอยู่ห้องอยู่อยู่คอนโดคนเดียวค่ะตั้งแต่กลางวันแล้วก็เหมือนไม่คิดเหมือนเหมือนพยายามไม่ไม่ส่งจิตออกไปแล้วเหมือนเราเป็นความว่างค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเราก็ไม่ได้นั่งสมาธินะคะแต่ว่าอยู่กับความว่างแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆปรากฏว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนเราสงบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะ มันแบบมันมีความสุขไงพอมันมีความสุขแล้วเวลามันจะรู้สึกผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลามีความทุกข์นี่ไหมคะแต่ละนาทีรู้สึกมันผ่านไปช้าแล้วเกินแล้วเราคิดแบบนี้นี่นี่คิดได้ไหมคะพระอาจารย์ไปถึงคิดว่าเราคือความว่างแล้วก็อยู่กับความว่างไปแต่ว่าก็ก็ยังทํางานอยู่คิดได้แต่จะ<ต><ต>ทางด้หรือเปล่าเวลาไปเจอเกาะเงินทองเกองขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเรานี่ว่างอยู่หรือเปล่า นึกว่า <S 2> 2 <S แค่รอบต่อเดียวคนเดียวต้องดูว่ามันว่างตลอดเวลาหรือเปล่าไม่ใช่พอพอมาเจอของชอบขึ้นมามันไม่ว่างแล้วว่างเพื่อข่าวตัวตนออกมาวิ่งหามันละมัอมันว่างเพื่อให้หยู่ตัวตนหยุดความอยากแต่ถ้าว่างแล้วยังไปทำตามความอยากอยู่มันก็ไม่ใช่ว่างจริงอออะค่ะฮานู ไปยังฝึกสติก่อนค่ะพระอาจารย์ตอนนี้วนไปวนมาก็แย่ที่สุดคือเรื่องสติไปไม่นอดก็สติพิเรนเรนมันหลอเรานะมันชอบหลอกเราว่าไอเราว่างนะ<อ>นเพราะตอนนั้นไม่มีอะไร ม, ไมามมรอดใจเราเลยค่ะเป็นไปได้ก็ยุ่งพอไม่มีอะไรมารอดใจมันดูที่มันจะว่างหรล่าน่าจะวิ่งไปเลยค่ะพ่อาจะ เนี่ยหนูหนนูจะตั้งหลักฝึกสติแล้วก็พยายามคิดถึงคําว่าเวลาเรามีจำกัดเราตั้งใจให้มากขึ้นค่ะถ้าเป็นมากจริงมันจะไม่เห็วมันจะเฉยมันจะไม่มันจะมีเบรคค่ะไม่รักไม่ช้างไม่กลัวไม่หลงจะนิ่งๆหยุดค่ะ อ, อาจจะบ้างชั่วคราวค่ะอาจารย์ ไม่มีอะไรมากระทบก็เลยสงบอยู่คนเดียวอ๋ อ, อคิดถึงอาหารคิดป็นขนมก็หายว่างอยากกินขึ้นมาเกมติดเตยเดี๋ยพยายามใหม่ค่ะพระอาจารย์พยายามใหม่หลายรอบแล้วค่ะใหม่ทุกวันค่ะ <laughs> <laughs> พระอาจารย์จากคนจุดท้าเดี๋ยวจะค่อยๆไต่ไปเจ็ดไปแปดค่ะพระอาจารย์แระวังจริงเวลามันอย่างอะไรก็ไม่มีตัวตนใครอยากจะไปกิน<ต>อะไร คมีก็มีไปขนมก็มีไปข้าวก็มีไปแต่เราไม่มีตัวตนก็มันต้องไปกินมันเลมต้องพยายามคิดให้ได้แบบนั้นค่ะสู้ใหม่ค่ะพระอาจารย์คำนี้มาบ่อยอ่ะสู้ใหม่สู้ใหม่ทุกรอบก็ยังดีสู้ไม่ถอยสู้ไม่อยสู้ต่อค่ะพระอาจารย์อย่างน้อยหนูก็อยู่ที่หกจุดห้าอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยๆไต่ต่อ ค่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะยาสาธุค่ะสาธุค่ะคุณหมอภาสนาวันนี้ไม่ได้มาวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าลูกรับปริญญาพระอาจารย์ค่ะรับปริญญาก็ก็ไปไปทาฐานหน้าที่แล้วก็ไม่ได้กินเลี้ยงเพราะว่าวันนี้ก็มาเข้าซูมอยู่พระอาจารย์อันนี้ก็เรื่องกินเลี้ยงนี่คือตัดได้แน่นอนเพราะว่าตัดไปหมดแล้วค่ะว่าอาจารย์ก็แค่รับปริญญาแล้วก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปค่ะพระอาจารย์ยังไงก็เดี๋ยววันนี้ก็ในสัญชิกต่อ แล้วก็นอนนอนในมุ้งในกรดนอกบ้านดีมากค่ะพระอาจารย์ดีเนี่ยแต่แล้วก็ไม่ง่วงนะพระอาจารย์ตื่นมาไม่ง่วงค่ะก็ทําทําต่อไปแล้วก็พระอาจารย์คะตอนนี้ก็สังเกตมันยังสงบอยู่นะคะสงบลมเย็นแล้วก็สังเกตเรื่องอารมณ์ก็ก็ดูแล้วก็ยังไม่มันคือเข้าใจค่ะว่ามันอาจจะหลบซ่อนกี่เลยแต่ตอนนี้มันไม่กระเทื่อไม่อะไรก็ก็อยู่กับปัจจุบันได้ค่ะพระอาจารย์ดูสังเกตอารมณ์ตลอดนะพระอาจารย์ยังสังเกตอ ได้สาธุยัไม่มีอะไรค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อา่คุณซนนี้แบงค์ท็เกี่ยกับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคําถามมาเริ่มฟังธรรมค่ะโอเควันนี้คุณสุภัตาอันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยกลับน้ำมาส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินไหมคะเจ้าค่ะได้ยิ น, ยนอ๋อลูกมาอยู่ที่ไทยแล้วเจ้าค่ะ <laughs> กัน้ น, นกิจกรรม ทางบ้านเยอะหน่อยทำหน้าที่ของลูกดูแลพ่อแม่เลยตับแท น, นคนใช่ไหมคะก็เลยเล ย, เลยมีเวลาในการที่จะนั่งสมาธิปฏิบัติเนะน้อ ย, น, อยน้อยลงแต่พยายามพยายามจะกลับกลับมาตามตารางบ้านคุเจ้าค่ะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะก็ก็พยายาม พยายามออกออกนอกลูกนอกทางไปบ้างแต่ก็จะพยายามเข้ามาเจ้าค่ะใช่ควรจะพยายามรักษาการปฏิบัติ <c oughs> ของพาย ร, รักษาการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะเอาจะรักษาได้เจ้าค่ะน้อมนําเ จ, จ้าค่ะสาธุขอบคุณนะครับพาย ไ, ได้คุณนิสาเอว กลางในมัสการค่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินชัดเจนเลยเชิญค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีคําถามค่ะภรอาจารย์ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ค่ะอโอเคแล้วไปต่อเลยนะค่ะขอให้พรอาจารย์ท่านแข็งแรงค่ ะ, ะไปที่คุณโอพน้ำกล่าวนมัสการภรอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เข้ามามร่วมรับฟังเจ้าค่ะ โอเคไม่มีอะไรเหมือนกันนะเจ้าค่ะเดี๋ยวไม่มีไม่มีคำถามไม่มีปัญหาดีที่สุดก็มีเหมือนกันเจ้าค่ะอาจารย์ต้องต่อสู้กับเรื่องการกินนี่ะเจ้าค่ะอาจารย์ยังโดนนอกอยู่เจ้าค่ะตอนนี้ขนมก็เต็มตู้เย็นเลยอาจอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวลองแตะเบรกดูทีเจ้าค่ะโอเคไม่มีปัญหาแล้วเจ้าค่ะอาจารยก็ครูเน่งครูเน่งครูเน่งพัทยา ครับคพระอาจารย์วันนี้ก็ไปค่ะเราช่วงนี้ไปฤกษ์อาทิตย์ไปบางเทศเดวันนี้ไม่ได้ไม่เห็นนะไม่ได้สังเกตอายุนั่งอยู่ในตรงโขดไม่ได้ไปขพอดีไม่ได้เอาเด็กๆไปด้วยเอามุ้งไปกันที่ศีรษะนี่ไหมอันนั้นเอามุงไปกันมที่ศีสาะยุงตัวใหญ่มากพระอาจารย์อ่าก็เลยแบบเอาเอามุงไปคลุมดีกว่าไม่ต้องไปปัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็ได้ได้ผลดีไหม นี่ผลค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็ดีมากเลยไม่มีเสียงไม่มีอะไรนี่ก็ได้ยินเสียงพระอาจารย์ดึงไปอย่างเดียว mm hmm. ก็ดีค่ะแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับเออ mm hmm. เป็นอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ว่ามันมันก็ดีที่ทำให้หนูได้เห็นธรรมอะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่พระอาจารย์พูดนะคะพระอาจารย์ mm hmm. แต่มันก็ยังมีอยู่แน่นๆนั่นหมายถึงว่า เราเรายังมีก็เรียกว่าอะไรคะความอยากหรือว่าความอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับอาจารย์เพราะว่าปัญหามีมันมีอยูไ่ไม่หมดง่ายๆหรือเพาวนี้ค่ะมันก็ยังมีเต็มแต่มันก็ยังลดน้อยลงไปมากหรือว่าหนูอยากจะให้มันหมดไปเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงได้แบบ เหมือนแน่นๆนะพระอาจารย์ได้ความอยากแบบนี้มันก็ทําให้เราไม่สบายใจได้ค่ะพระอาจารย์หรือว่าแล้วคือคือคือแบบมันอาจจะเป็นจุดศูนย์กลางในครอบครัวนะคะพระอาจารย์ที่เขามาฝากความหวังทุกอย่างไม่ว่าจะเด็กหรือคนแก่กับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องอะไรหลายๆอย่างมาบางทีหนูก็นั่งคิดแล้วก็คิดถึงคําสอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เบาใจลงเหมือนเมื่อตกี้เนี่ย ก็คิดว่าโอ้เราก็มีความรูปยังมีความอยากยังมีความหลงยังมีอะไรอย่างเงี้ยพอคิดได้แบบนี้ก็เบาๆบ้าง mm hmm. เจ อ, เ อ, อลูกค้าหรือว่าเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันค่ะมันก็เป็นกิเลสกันรู้ค่ะตรงนี้ค่ะว่าจะต้องตัดสินใจยังไงที่จะสูญเสียที่จะอะไรหลายๆอย่างอะค่ะพระอาจารย์ อันนี้จะต้องใช้ในเรื่องของสติให้มากขึ้นใช่ไหมคาารับพระอาจารย์ใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญามันจะถ้าถ้าต้องเสียถ้ า, ามไม่ได้ก็ต้องให้ก็ต้องยอมเสียไปก็ต้องก็ต้องยอมเสียไปใช่ไหมครพระอาจารย์ยมเสียมันก็จะได้ไม่ทุกถ้้ไม่ยอมเสียมันก็จะทุกเนี่ยเดี๋ยังคีเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องกินต้องใช้เพราะว่าเรามีพระอัตั้น น, นะคะพระอาจารย์ ใช่แต่ถ้ามันถ้ามันต้องเสียจริงๆจะทําังไงต้องเสียค่ะอ่าก็ต้องเสียเสียก็เสียไปก็กินให้น้อยหน่อยใช้ให้น้อยหน่อยค่ะพระอาจารย์อดมื้อกินมื้อบ้างก็ได้เราอ่าแล้วก็ความเป็นจริงเป็นยังไงก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงนั่นหนูว่าทําได้อยู่พระอาจารย์แต่คณในบ้านจะไม่ค่อยเข้ว่าทําได้ ไม่ได้นะครับอาจารย์เกลียดไม่ไแล้วไม่ได้กั็เลื่อมมังค์ทงได้ค่ะลงบ่อยมันไม่ได้อยู่ที่แก่ไม่แก่มันอยู่ที่ใจใจมันไม่ได้แก่ตามร่างกายค่ะค่ะพระอาจารย์พูดไม่ได้แล้วค่ะไม่เป็นไรครับอาจารย์หนูก็ต้องเหมือนกับกลุมหน้ารับกรรมต่อไปก็เป็นยิ้แบบนี้นะครับอาจารย์แต่ก็ก็ดีครับพระอาจารย์ที่ที่มันเกิดขึ้นทําให้เราเห็นมากขึ้นว่าโอ้หนูไม่อยากเกิดมาเป็นคนอีกแล้ว หูไม่อยากเกิดมาอีกครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ก็รู้ว่าต้องได้เกิดมาอีกค่ะ mm hmm. ก็ต้องตั้งใจแล้วก็พึงปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระอาจารย์ต่อไปอะค่ะพอาจารย์หนูก็คิดอย่างเงี้ยบางทีมันก็ว้าวุ่นมานั่งอยู่เพื่ออยู่การเกิดที่อยังไงอะไรจะได้มีกาลังใจค่ะหนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกั น, นะคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องต่อสู้ต่อไปค่ะเพราะอย่างน้อยสุดเพรยังเอา เด็กๆหลา น, นไปได้แล้วเขาก็นิ่งขึ้นมากเพราะว่ามไม่คาดหวังตอนแรกที่ไปนะ่ะคาดหวังอื<ม>พอเราไม่คาดหวังเราก็ได้สิ่งที่ไม่คาดคิดคือเขาจะถามว่าวันนี้ไปวัดไหมวันเสาร์มาอย่างเงี้ยไปทุ่จ้าไหมอ๋อเขาเริ่มที่จะติดนิสัยติดในิสัย ม, มีขนมตังไว้ให้ปลาไหมอะไรอย่างเงี้ยไปให้เต่าไห ม, มอ๋อเริ่มติดเป็นนิสัลยละญาเขาก็ไปนะคะ อาจารย์อาทิตย์ที่แล้วเขก็ตามไปมค่ะหนูก็ค่ะก็ต้องเปินหลักต่อไปครับอาจารย์ทาไปเมื่อไหรอย่าไปหวังผลผลมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้บังคับการกระทําได้แต่ผลจะเกิดมากน้อยมันมนมันเรื่องสุริยไสค่ะหนูก็เข้าหนูก็คิดอย่างนั้ น, นะคะ่ะเพราะว่าขนาดตัวเราเรายังบังคับไม่ได้เลยรู้สึกอึดอัดมากเลย โอ้นัภาษาอะไรที่จะไปควบคุมคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้หนูก็คิดแบบนี้ก็อะโอเคไม่เป็นไรก็มองๆไปแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์บางทีมันก็ทำหน้าที่ของเราไปค่ะแต่บางทีมันก็วูบเหมือนกันนะครับอาจารย์กับเด็กๆคือคนละวัยมันกระออปก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์หนูก็จะปฏิบัติต่อไปแล้วก็ให้อาจารย์ดึงหนูต่อไปทําให้ดีที่สุดนะทําให้ดีที่สุดก็แล้วกัน ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะหนูก็ปฏิบัติตบกันค่ะสาธุดาเป็นปุ้ยรักเสมอถามน้ำมัสการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงเริ่มหนาวยังรักเสมอเริ่มหนาวยังเริ่มหนาวแล้วค่ะ10 1สิบบางทีก็9องศาค่ะพระอาจารย์โยมก็เริ่งจะเริ่มต่ำไม่ไกล อะไรมันลงต่ำเมื่อเวลาลงต่ํำกี่องศาโอ้โหถ้าแต่ต่ำสุดก็บางทีติดลบนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะหนาวแล้วค่ะเพราะอากาศมันจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นอย่างเงี้ยปีนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ฝนมันตกพายุมันเข้าอ่ะแล้วมีหิมะไหมช่วงนั้นเดือนหนาวนี่เอ่อคิดว่าปีนี้คงจะมีค่ะบางปีก็ไม่มีบางปีก็มีบางปีบางปีก็ไม่มีเลยบางปีอย่างอย่างต้นปีเนี้ยต้องมีแค่ไม่กี่วันนะคะ แต่ปกติแล้วปีที่แล้วแดดมันจะเยอะแต่ปีนี้แดดมันไม่ค่อยเยอะอือแต่วันนี้มันมีแดดแต่มันหนาวอ่ะท่านอาจารยมม์โยมามีเรื่องอ่ะจะมารายงานท่านอาจารยมม์โยมาปฏิบัติเหมือนท่านอาจารย์พูดเลยปฏิบัติศีลเจ็ดศีลแปดทันเจแล้วก็นั่งสมาธิ ค, คะ่ะแต่ว่ามันโยไปทดสอบสิ่งที่ว่าท่านอาจารย์ไม่ได้สอนอม มือคือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันพุที่ห้าเขาจะมีพระสังเขาเรียกพระสันธปาปามานี้โยมก็เป็นคนที่อยากจะดูอะ่ะและยม <c oughs> ผลมันตกและเขาไม่ค่อยมีคนไปยมก็แบบเอาว่าอยากเห็นนี่นิยมก็คิดในใจว่าทำไมคนข้างนอกพวกตมงุงตมวดอะ่ะเขายังตากฝนได้ยมก็เลยนึกในใจขึ้นมาว่า <c oughs> พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราสวดมนต์ เราจะทนอยู่ได้ในทุกสถานการณ์โยมก็เลยโยมก็เลยไปนั่งสวดมนต์ตรงหน้าโบสถ์แล้วอยากจะดูด้วยใจที่อยากจะดูมากโยมฝนมันตกโยมก็แบบตัวเปียกหมดเลยนะแต่โยมสวดมนต์คือคือคือโยมใช้สมาธิแต่โยมตาเปิดอ่ะโยมโยมเอาจิตอะลงมาวางที่กลางกลางกายแล้วโยมก็สวดชีเอพระคถาเออเารียกอะไรนะจักรพรรดิอะโยมสวดสวดสวดและโยมรู้สึกมันมีไอกลิ่นอะ กินเหมือนกลิ่นดอกไม้อะไรนุ๊กมันมาแตะจมูกเลยคือในใจโยมรู้ว่ามันเหมือนมันมีมันมีมันมีดวงจิตอะไรมาเยอะแยะมากเลยโยมก็เลยแบบใช้วิธีส่งบุญให้เขาและโยมคือมีคนมาถามโยมนะตํารวจตรงนั้นเยอะแยะมากเลยเขบอกว่าเธโอเคไหมบอกอุ้ยไม่เห็นหนาวเลยคือความรู้สึกว่ามันอยู่ในเลอะฝนแล้วก็ฝนตกหนักมากแล้วก็เราไม่มีร่มด้วยเรามีแค่เสื้อกันฝน เราเราทนอยู่ได้ถ้าเราอยู่ในสมาธิแล้วเราจิตเรานิ่งแล้วก็แล้วก็เราสวดมนต์ยมยมคิดว่ายมไม่เคยทํามาก่อนแต่ยมทํานะยมทดสอบ ย, ยมก็เลยบอกว่าเออจริงไว้แล้วยมกลับมาบ้านยมก็ไม่ไม่ไมาโอเคไมหมยะว่าไม่สบายนะฮะอือก uh ็ด huh. ีค่ะแล้วเมื่อคืนโยมเนะ่ยเจออะไรที่มันแปลกๆพอวันโกนเะนี่ยยมจะปวดหัวท่านอาจารย์ ทีนี้ลูกชายโยมมาเโยมจะตั้งนาฬิกาปลุกตีสองครึ่งมานั่งสมาธิมันเป็นอะไรที่เมื่อคืนนี้โยมได้ยินแล้วแหละโยมจะตื่นแล้วทีนี้โยมตื่นไม่ได้โยมมีอาการอย่างนี้ว่าโยมตื่นไม่ได้แล้วลูกชายโยมอ่ะเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็มามากดนาฬิกาปลุกทีนีมน้มันเหมือนเหมือนกับมันโยมอะลุกขึ้นมาแต่ว่าโยมเห็นร่างที่มันนอนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ร่างโยม โยมมองลงมาแล้วมันไม่ใช่ร่างของโยมโยมไม่ได้จิตวิตกหรือว่าเอ่ออะไรนะทีนี้โยมรู้สึกแล้วว่าตัวโยมมาตื่นแต่โยมตื่นลุกขึ้นไม่ได้แต่ในใจอ่ะในใจอ่ะโยมลุกขึ้นมาดูและโยมเห็นคนที่นอนอยู่ไม่ใช่โยมเออหน้าหน้าเหมือนหน้าเหมือนหลวงปู่อ่ะหน้าเหมือนหลวงปู่เลยอะแล้วโยมกลัวทีนี้พอโยมบอกกลัผีกลัวผีแล้วยมนึกในใจอย่างเงี้ยแล้วยมก็หายไปแล้ว บอมาตื่นอีกทียมตื่นสายเลยยมโมโหตัวเองมากเลยแล้วเมื่อเช้ายมก็ถามลูกยมลูกชายยมก่อนจะไปว่าเออเออยู่อยู่มากดไอนาฬิกาปุกของฉันเหรอเขาบอกว่าใช่มันเสียงมันนังหนวกหูแล้วฉันเห็นโยมมันน่ากลัวมากเลยยมเปิดตาหน้ากลัวมากเลยน้อบอกว่า เ, เราเราก็ว่าเร า, ารู้สึกตัวนะแต่อีกใจหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราไม่รู้สึกตัวแล้วเขาบอกว่าเธอฉันก็เห็นเธอตื่นนะ พวกว่าเอ้าเหรอฉันก็ไม่กลัวฉันตื่นแต่ทําไมฉันหลับวะเราก็นึกในใจไงอืมอาจารย์มันเป็นอาการอะไรคะเราก็ฝันไงโธ่อือเราก็นึกว่าเรามีอาการทางจิตนึกว่าว่าลูกชายโยมเขาจะแบบออกไปรู้เรื่อถ้าเป็นทางจิตมันก็ต้อเป็นทั้งวันทั้งคืนนี่มันเป็นเฉพาะช่วงนั้นช่วงเดียวอืถ้ามีวิสิทธิ์อย่าไปถือเป็นสาระมันผ่านไปแล้วก็ โรงไปเป็นตายรักไปอันนี้จังทุกขังหน้าตาไปอ่านไปแล้วก็ไม่ต้องเอามาแบกมาสนใจทําใจอยู่ในปัจจุบันนะโอเคมีอะไรไหมอไม่มีค่ะเ๋คือโยงก็เจอเหมือนเจออะไรก็แบบเดียวกันปรงให้มันลงไปที่ตายรักทั้งหมดไม่มีสาระคุณระโยู่อะไรใช่ค่ะโยมก็เจออุปสรรคเหมือนกับว่าเอลูกชายโยมอ่ะ มันเป็นมายาของหลอกของปลอมของที่จะมาหลอกเรามาล่อเราให้เราหลงเราต้องฉลาดเราต้องเห็นว่ามันเป็นตายรักแล้วก็จบไม่ไปโยมก็มีวิธีแก้เพราะว่าโยมเตรียมเตรียมแผนแก้เตรียมแผนสำรองเอาไว้โยมก็เลยถือว่าเออไม่มีปัญหาแต่เพราะว่าโยมตัดสินใจแล้วว่าโยมจะเดินตามธรรมโยมก็ต้องเดินอือฮะ เดีัยมก็ไม่มีอะไรยมเตรียมตัวจะทอดกรถินแค่นั้นเละค่ะพระอาจารย์เออาเดมทอดไปเลยโ okay อเคนะอาท่านนี้ก่อนนะท่านอาจารย์ยมยมน้อมนําบุญมาถวายท่านอาจารย์เจ้าค่ะโอเค ส, <า>ส่งสมาเลยส่งมาเลยเจ้าค่ะโอเคสาธุสาธุอ่ า, าไปที่คุณมาลีต่อมุทากาลสาวหลวงพ่อคะ่ะ นี่หนูก็ปฏิวัติอยู่ค่ะหลงพ่อ<ม> ก, ก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับอะไรเลยใช่ไหมจ๊ะสวายสวายค่ะหลวงพ่อมันมันมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจค่ะหลวงพ่อแล้วก็ความคิดการกระทำแล้วก็คำพูดเหมือนทำอะไรแล้วมันมันคอยระมัดระวังมันมีสติมันมันเปลี่ยนอะค่ะหลวงพ่อแล้วจิตใจก็มีมีความสุขสงบดีค่ะหลวงพ่ อ, อ, พอแล้ว มันมีลักษณะเหมือนแบบอย่างหนูได้ยินอะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อเทศหรือว่าธรรมะองค์อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อจิตมันก็เหมือนมันจะเป็นตมาที่อยู่ตลอดเลยอะค่ะหลวงพอ่อระดีบหนาแสดงว่าสติเราดีมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเย็นเย็นดีใจแบบใจมันสบายสบายดีอะค่ะหลวงพอ่อ เป็นสิ่งที่เราต้องการพยายามรักษาความเย็นความสบายของจิตไปตลอด24ชั่วโมงค่ะหลวงพอ่ออย่าไปล้อกับอะไรไว้วัองทุกอยาก่างเป็นอนิจจังทุกขงังนัฏตาค่ะหลวงพ่อแล้วมันเหมือนแบบเราไม่ต้องวิ่งเราไม่ต้องเต้นไม่ต้องแบบเหมือนเหมือนมันจะว่างวางยังไงหนูบอกไม่ถูกอะค่ะหลวงพ่อมันเออมันก็แบบ มั น, นมันพอมันไม่หิวมันไม่อยากมันก็ต้องอยู่เฉยๆไปใช่ค่ะหลวงพอ่อลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนไม่ได้อยากอะไรก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อ ม, มันไม่ได้ต้องรีบต้องแบบเหมือนเราอยากจะตั้งเป้าว่าเราอยากอะไรมันไม่มีความอยากตกนั้นแล้วอยากได้อยากมีอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมันเป็นทุกข์ทั้งหมดประหยากกับสิ่งที่เป็นทุกข์ทําไหมดค่ะหลวงพ่อ ใช่ไหน้านาบุญเสรลญเสริญศุกร์นี่มันเป็นทุกข์ทั้งเป็นอนิจจังทุกขังน้าตาค่ะไม่ได้อยากได้อะไรอยากแบบมันมีความทุกเฉ์เฉยๆอะค่ะหลวงพ่อค่ะถูกต้องเลยก็ทํานี้ไปเรื่อยๆค่ะพอมีเวลาหนูก็จะเข้าเข้าวัดค่ะหลวงพ่อเข้าวัดนี่ก็ไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อสาธุใจขอบพระคุณค่ะสาธุค่าคุณจี๊บ ทำลงานอยู่เหรอในลาแลนดัก टाइम วายอาจารย์บบทํางานค่ะวันนี้ช่วงภาค4มันจะเดดไลน์มันจะดยูช่วงเอ่อตุลาคม15ค่ะอืมค่ะอันนี้เค้เาเลื่อนกําหนดมา6เดือนนะใช่ค่ะสําหรับคนที่ extend คือ จริงๆ f อ r ์ t date มันจะดิวเด t มันจะอยู่เอพิ15ใช่ไหมคะแต่ถ้าบางคนเขาทำไม่ทันเขาก็ extend ได้มาถึงเดือนตุลาค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะช่วงนี้ก็คือแบบยุ่งนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ยุ่งมากค่ะพระอาจารย์อ่สลินทรอนฝากกับพระอาจารย์ด้วยนะคะเขาต้องพาแมวเขาไปหาหมอค่ะมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันนะแมวกก็ทุกข์แมวก็ทุกข์ โยมก็เป็นเหมือนกันลูกก็ทุกเออลาพังสัมพันธ์ไปใช่ตอนแรกกานั่งนึกเออไปยุให้ชาวบ้านเขาแบบแต่งงานแล้วเออมีลูกสีต้องออกมาพอนึกในใจอีกรอบหนึ่งแล้วอยากจะให้เขามีลูกทําไมอ่ะมีวมันก็ทุกนะแล้วเออตอนนิยมก็เลยไม่พูดกับลูกตัวเองเลยค่ะว่าแบบเออหนูต้องมีหลานมีอะไรไม่พูดเลยค่ะยอมแบบไม่มีในใจไม่มีดีแล้วลูก แต่ทำให้ตัวเองแข็งแรงเต็มความพร้อมให้ตัวเองก็พออะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วแม่ก็ไม่ได้อยากเลี้ยงด้วยนะ mm hmm. ต่ว่าเออเดี๋ยวถ้ามีกามรมาไปยุ้ยเขามีเล่านี่น่ละจะเหนื่อยก็เลยแบบเอออย่าเลยไม่ได้พูดอะไรว่าเขายังเด็กด้วยอะค่ะ mm hmm. พระอาจารย์ทําโยมชอบที่พระอาจารย์อคุยกับคุณหมอพิเชษเรื่องอเกิดมาทําไมอะค่ะ mm hmm. ไม่ทราบ mm hmm. ว่าจะขอรบกวนแอดมินช่วยตัดคลิปช่วงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะเป็นคลิป โยมอยากเก็บไว้แบบถ้ามันเก็บได้นะคะแบบจะตัดไว้เราก็จะแชร์ในให้ต่อๆกันนะคะพอมาโยมมาฟังเทิธีพระอาจารย์พูดแล้วมันดีมากเลยค่ะก็แล้วแต่อันนึงก็คงยังมีคนจะยินเดี๋ยวมจะจัดการให้แล้วมังค่ะมันมันมันเป็นอะไรที่มันครอบคลุมทุกอย่างเลยอะค่ะพระอาจารย์เราทําให้โยมมาจัดใช่ค่ะใช่จริงๆค่ะมันคําถามนี้มันหลายคนแม้แต่เด็กผู้ใหญ่มันก็จะถามหมดเลยว่าเราเกิดมาทําไม Mm hmm. ทีนี้พยโยมมานั่งมองสะท้อนตัวเองแล้วมองตัวเองอะ่ะพอจะทราบเหมือนกับเราก็มาเข้าทางธรรมแล้วใช่ไหมคะมันก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็มีสติมากขึ้นมีสมาธิมีปัญญาใส่ใส่ตรองพยายามลดความอยากได้ทีนี้พอเรามามองถึงลูกของเราเองอะคะ่ะพระอาจารย์เหมือนกับเราก็ผลักดันาให้เขาต้องเหมือนแบบพ่อแม่ปัจจุบันก็ต้องเรียนหนังสือให้ดีนะจะได้มีการงานที่ยโยมก็เลยมองว่าเราไปผลักดันาให้เขาอยากหรือเปล่า อยู่กับความอยากหรือเปล่าอย่างนี้เราควรจะสอนลูกเราให้คิดยังไงดีคะแบบค่อยๆสปร่อนให้ไปบวชเนี่ยใช่จริงๆตราทอยากให้เขาไปนะคะได้เข้าไปไม่ได้หรอกเขาไม่ค่ะเขาไม่มีภวงเไม่ก็เขาไม่ของเก่าเข้าไปไม่ได้เนาใช่ค่ะอันนี้คือมันก็ต้องเหมือนกับที่น้องท่องกันใช่ไหมคะว่าการเป็นแดนเกิดก็คือถ้าไม่มีกระทานการกระทาเราเชื่อในการเว้นว้าตายเกิด ถ้าเราไม่ทากรรมในชาติก่อนไว้ในทางที่เรามาทางทร ม, มันก็คือภูมิที่จะสืบมาเป็นทายาทมาถึงชาติปัจจุบันที่เราทาให้เราใยดีใช่ไหมคะใช่ณ แ, แต่อดีตเรามี ม, มีมีความใยทำหรือเปล่าถ้าไม่มีความใยทามันก็ไม่มาแล้วค่ะถึงแม้เขาจะมาเกิดกับพ่อแม่ที่ใยทาพ่อแม่ชับจูงแล้วแต่ถ้าเขาไม่รับของเขาเอง เราถเด็กกจจะไปกับเราล้วพาเขาไปวัดเข้าขไปแต่พอเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็ไม่ไปกับเราแล้วถ้าเขาไม่ชอบค่ะค่ะแต่เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดโดยการทำตัวเป็นแบบอย่างอันนี้ก็ใช่ค่้ใก็เป็นคนดีก็แล้วกันสจก็ค่ะรักษาศีลห้ามไม่เบียดเบียนผู้อื่ น, น, น, น, นให้คว า, ามเมตตาทำบุญทําทานะให้เขาทาแค่สองอย่างนี้ได้ก่อนะ ค่ะยมก็พยายามสอนค่ะแต่มันมีข้อนึ่งนะคะพระอาจารย์ยมคิดว่าเขาอยู่ในสังคมสมมติลูกยมใช่ไหมคะมันอยู่ในสังคมของคนอเมริกันซึ่งก๊บสี่ห้านี่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาจะไปดื่มเขาอาจจะดื่มก็ได้ดื่มไว้แก้วหนึง่งยมก็ไม่ได้สนับสนุนแต่อย่างนี้เราควรจะสอนยังไงคะถ้าเขาถ้าเขาไปแล้วเขาไปดื่มแล้วแล้วเราจะว่ายัางไรเดี๋คะคือไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าห้ามดื่มหรือว่ามันคือยังไงคะพระอาจารย์ คือไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามอะไรพระพุทธเจ้าเพียงแต่บอกว่าอะไรถูก อ, อะไรไม่ถูกค่ะการทาบาปไม่ถูกก็บอกแค่นี้แต่เขาจะทำหรือไม่ทำก็เพราะผู้ที่จะรับผลบาปก็ตัวเขาเองก็แหละค่ะก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้ า, าถามความเห็นแม่แม่ก็จะคิดแบบนี้อืมใช่ไหมคค่ะค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะพระอาจารย์โยมก็ปฏิบัติให้เต็มที่เท่าที่ เท่าที่จะทำได้อยู่ปัจจุบันค่ะถ้านั่งสมาธิไม่ได้โยมก็เจริญสติอยู่เนืองๆค่ะพระอาจารย์เดจ่าสาธุค่ะขอพระอาจารย์ท้าขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะขอบคุณนะคะสาธุคขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะกัญญาเพชรบุรีอ่านเพชรบุรีเรบุรเพชรบุรีเจ้าค่ะเพชรบุรีเพชรบุรี เลยเาวันนี้มาช้าอาจจะไม่ได้ฟังทําก่อนหน้านี้เจ้าคะ่ะพอดีไปไปวัดสวดมันแล้วก็ฟังธรรมที่วัดมหาธาตุทุกวันพ่ะเจ้าคะ่ะลูกมีคำถามในชีวิตประจำวันลกูกอะค่ะพอดีลูกอาจจะเจอเรื่องที่แบบอ่าเหมือนคำพูดผู้อื่นที่มาทำให้เรารู้สึกเกิดปฏิฆะต่อเขาหรือว่าเปิดปฏิฆะในใจของเราว่าอ่าจิตเราไปปฏิฆะ เอ่อแบบนั้นเลยประมาณนั้แล้วเราเร า, เราก็รู้ทันอยู่แต่ว่ามันก็ยังจิตไปปฏิคาตัวเองว่าไอ้ทําไมเราเราไม่สํารวมอ่าจิตเราให้ดีแบบนี้เจ้าค่ะเราเราจะวางจิตตรงนี้ยังไงอะเจ้าคะกร็รู้แล้วรู้แล้วก็พยายามทำจิตให้นี้งให้สงบไปพุทโธพุทโธไปอื สอนใจว่าการมีปฏิฆาเนี่มันไม่ดีมันเป็นทุกข์แล้วก็พยายามหยุดมันด้วยการใช้คําบริกกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้เดี๋ยวมันก็มันก็จะสงบตัวลงแล้วมันก็จะเฉยเฉยได้แล้วจะใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าการพูดของคนอื่นนี่เราไปห้ามก็ไม่ได้ไปสั่งก็ไม่ได้เขาจะพูดดีก็ได้เขาจะพูดไม่ดีก็ได้ ต้องยอมรับกับทุกคำพูดของเขาปล่อยเขาพูดไปเราเพ่งแต่ฟังแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปแบกอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เจ้าค่ะอมันก็มีสองวิธีวิธีของปัญญาก็คือให้ของสติก็คือพุโทโธพุโทโธไปเวลาเราเกิดก็อารมณ์ไม่ดีขึ้นมาจากการที่เราไปสัมผัสรับรู้เรื่องต่างๆ เราก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าจะใช้ปัญญาก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในโลกที่เป็นที่เราควบคุมบังครับไม่ได้มันก็จะพูดอย่างไรเราไปสั่งก็ไม่ได้ก็ปล่อยก็าพูดไปได้แล้วก็ฟังแล้วปล่อยวางไปเฉยๆไปท่านหนึอง้ค่ะทำได้ไหมทำได้ไก็ลูกเองก็ทำตามที่พระอาจารย์บอกค่ะแต่วันก็ยัง พอกิเลสมันเข้ามามันก็จะแบบแวบไปบ้างเล็กน้อยแล้วพอเรารู้ว่าแบบนั้น í, เราเราก็สะดุ้งว่าเราเราจิตเรายัางยังไม่นิ่งพอในประมาณนี้ เ, เจ้าค่ะเออใช่สติใช้พุโทโธกรรบริกรรมช่วยทําให้มันนิ่งขึ้นมาเจ้าค่ะอ่าค่ะในวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะกราบกอขอบคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะพยายามฝึกสติให้มากๆต่อไปจิตเราก็จะ ยังไม่ค่อยตอบโต้กับใครใครก็พูดอะไรจะทําอะไรแล้วก็จะเฉยๆไปเจ้าค่ะโอเคนะการธรรมักการเจค่ะโอเคไปต่อไปเมื่อกี้คุณชนะตาเมื่อกี้ข้าวคุณชนะลาไปรึเปล่าแม่ท่านคุณชนะตาเชิญแบบนามัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้อยู่สมุดปราการค่ะอืม กับวันนี้ค่ะค่ะก็มีอะไรปะไม่มีค่ะพระอาจารย์ค่ะอาใค ย, ยมา ก, กี่คนนะวันนั้นเหรอคะอืม <c oughs> วันนั้นที่ใส่บาทใช่ไหมคะ <c oughs> อ, อ่มีสองครอบครัวค่ะพระอาจารย์อ <c oughs> ค่ะก็ตามเ อ, อ่อทั้งหมดเดี๋ยวกันนะวันนั้นแปดบัวอีกสี่ ลูกค้าลูกค้าครอบครัวหนึ่งหกแล้วก็มีอี ก, อ, กอีกบ้านหนึ่งมาสามคนแล้วก็มีมีเป็นเก้าสิบสิบเ็ดรวมรวมรวมโยมด้วยค่ะรวมลูกด้วยค่ะสิบเอ็ดคนค่ะวันนั้นค่ะก็ดีพาคนมาทำบุญก็เหมือนกับพาคนไปสวรรค์นเนียค่ะพะอาจารย์ค่ะเราบุญก็คือตัวที่จะพาเราไปสวรรค์ น, นั่นเองค่ะ เดี๋ยวพอถึงเวลาขึ้นเครื่องก็มีตั๋วแล้วเราขึ้นเครื่องไปได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะดีนะคนทําบุญสร้างทานบารมีต่อไปก็จะร่ํารวยนาคภพนาชานาจะไม่อดอยากขาดแคลนค่ะทุกคนเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่มาคนที่ทําะใครทําก็ได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ค่ะ ไม่ไม่อยากเกิดแล้วค่ะพระอาจารย์เดนไม่อยากเกิดต้องไม่อยากเที่ยวไม่อยากกินไม่อยากต้องจุดเลยค่ะพระอาจารย์ต้องเบื่ทุกอย่างอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านได้ครับไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้านเกค่ะตอนนี้เออเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนตัดไปเลยตัดไปแล้วค่ะพระอาจารย์อื ตอนตอนท้ายๆมันยังชอบดื่มเบียร์บ้างอะไรเงี้ยฮนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันเป็นอะไรไม่ทราบดื่มไปก็ไม่อร่อยแล้วมันก็ไม่ได้อยากดื่มด้วยค่ะพระอาจารย์เขาจะตายไปเขาจะตายไปแต่มันมันมีช่วงที่ผ่านมามันก็อร่อยดีค่ะพระอาจารย์ช่วงช่วงที่แบบเออมันชื่นใจอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ดื่มเยอะนะคะพระอาจารย์ที่ผ่านมานะคะแต่พอตอนนี้มันแบบมันตัดเองเลยค่ะพระอาจารย์มันไม่ดื่มแล้วมันก็จะไม่ดื่ม มัตัดไปแล้วค่ะอาจารย์ค่ะพอมันพอมันหายงงมันก็ไม่อยู่ค่ะลองคิดลองดูค่ะไปตัดไปเรื่อยๆค่ะมันใช่ใช่มันทยอยตัดไปเรื่อยๆเลยค่ะอาจารย์เหมือนแพอตอนทุกวันนี้พอตื่นมามันก็พิจารณาพิจารณาอัตลัพิจารณาพิจารณาธรรมมันมันพิจารณาไปเองค่ะอาจารย์ตัวเราตัวเรามันค่ะ มันเริ่มมันเริมนเริเข้าสู่กระแสธรรมแล้วมันไม่ยอมเลยคิดแต่เรื่องธรรมธรรมใช้หันเยอะๆเลยค่ะพระอาจารย์เกือบตลอดเลยเหมือนกันค่ะมันมันคิดอยู่คือเรื่องงานมันจะคิดสมมุติว่าจะทํางานมันจะคิดแค่ช่วงหนึ่งที่เราจะทํางานพอหลังจากนั้นมันจะเข้าสู่โหมดเนี้ยค่ะพระอาจารย์มันเป็นของมันเองอะค่ะพระอาจารย์เนาะเนาะธรรมจักร่เนาะธรรมจักร คเร า, าจากก็คือคำสอนว่าเจ้าธรรมะเมื่อหมุนในใจเราแล้วคนะิดไปในทางธรรมนะค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพยายามไปคิดไปเรื่อยๆแล้วมันจะนําเราไปสู่การหลุดพ้นการสิ้นสุดของการเวียนว่าตายเกิดต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะชาตินี้ลูกจะเอาให้ได้คิดว่าจะเอาให้ได้คะ <PM S 1> ่ะพระอาจารย์ได้ถ้าตัง้งใจจริงๆก็ได้ค่พะพระอาจารย์รับประกันแล้วไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ปีได้เลย พอเจ็ดวันนะคะพอาจกย์จางแต่ไม่รู้เจ็ดวันไหนนะคะแต่ขอไว้ก่อนขอเจ็ดวันเจ็ดวันอาจจะเจดปีข้างหน้าค่อยปฏิบัติค่อยบวดให้เจ็ดปีข้างหน้าเดี๋ยวขอเที่ยวไปก่อนช่วงนี้อยาอกบรรลุสั้นๆเลยแล้วแต่อยากขอไปเที่ยวไปก่อนมันาจะเจ็ดชาติก็ได้เพราะไม่อยเจ็ดปีเพราะมันเที่ยวแล้วก็ติดเนี่ยมันเลือกยากค่ะ ค่ะต้องตัดมันเด่างนี้แล้วถ้าจะตัดต้องตัดมันเด่างนี้เลย่ถ้าไม่ตัดมันก็ไม่ยอมตัดอยู่นั่นแหะมันก็ไปของมันเรื่อยๆคาป้าจานค่ะเราพยายามคาป้าจานเราคิดถึงความตายเมือนคนอื่นบ้างนะที่วันนี้พูดถึงนะความตายไม่แน่นอนนีะจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ค่ะใช่ค่ะคิดถึงอยู่ค่าปอาจายนแล้วลูกเห็นพระอาจารย์บางทีเห็นพระอาจารย์แบบเสียงไม่ค่อยมีหรือว่าพระอาจารย์แบบ เออดูดูสังขารพระอาจารย์ดูไม่ค่อยไหวาบางทีลูกก็ใจแป้วนะคะพระอาจารย์เพราะว่ามั น, น, ม, นมันเป็นธรรมดานของร่าง ก, กายมันเสื่อมไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ลูกกลัวมากเลยค่ะกลัวว่าแบบเราจะได้ถึงไหนเนาะดูท่านพระอาจารย์เออลูกก็แบบแอบคิดนิดนึงอะคะ่ะพระอาจารย์ว่าแบบเรายังต้นเตียย้ยหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่ <c oughs> ต้องเรียนทำให้มากๆตอนนี้ยังมีโค้ดคอยสอนอยู่คอยบอกอยู่ ใช่ค่ะอาจารย์ไมไม่มีคนบอกแล้วก็ต้องทำทางไปเองใช่ค่ะอาจารย์อันนี้ค่ะน่าห่วงมากเลยค่ะลุกแต่ร้อมเข้ามาใส่ใส่ใส่สมองใส่ใจค่ะอาจารย์โอเคสาธุกลับนอน้อมค่ะอาจารย์อ่าคุณแปมต่อคุณแปมเชิญอ่านปิดหรือเปล่าแปมหรือปลยังไม่ปิด อ้าวไปนะพูดได้นะแป๋มเจ้าค่ะอ่าแป๋มโอเคมีอะไรไหมวันนี้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมมุนเผาชิโอนแล้วเจ้าค่ะเอีจะอยู่กี่วันนะอยู่เหมือนเดิมเจ้าความาสามวันสองคืนเจ้าค่ะอืมเป็นครั้งแรกแล้วทั้งหลายครั้งนะครั้เจ้าค่ะอ่าวครั้งแรกนะเจ้าค่ะอ้าวรู้เสร็จเป็นยังไงกลัวไหม รู้สึกกลัวแต่ก็บอกตัวเองว่ า, ายังไงเราก็ต้องตายก็เลยไม่กลัวแล้วจะค่ะเออถูกต้องเนี่ยเป็นวิธีไปแก้วความกลัวตายต้องไว้อยู่ที่มันน่ากลัวแล้วก็ปลงมันไปจ้ะคะ่ะแต่ว่าเรื่องการทำสมาธิของลูกช่วงนี้ปิดขัดหลายอย่างเกิดอะันเจอ เจ้าวิบากกรรมเจ้าค่ะมันจะหนักมากเจ้าค่ะจะถามว่าทุกข์มากไหมเหมือนใจไม่ทุกข์เจ้าค่ะไม่ใจไม่ทุกข์ก็ใช้ได้หว่ยให้ร่างกายทุกข์กไปอย่างเดียวก็พอใจเรายึดติดกับธรรมะกับสติปัญญาใจก็จะไม่ทุกข์นึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ที่ว่ายอมรับตามมีตามเกิดเจ้าค่ะลูกก็เลย ยินดีตามมีตามเกิดที่พระอาจารย์พูดอยู่บ่อยๆเจ้าค่ะชันโดดชันโดดเจ้าค่ะก็เลยไม่ทุกข์เจ้าค่ะรู้สึกว่าตัวเองกำลังทุกข์อยู่แต่ปรับอารมณ์ได้เร็วเจ้าค่ะใช่ได้แต่เรื่องสมาทิ่ของลูกไม่ก้าวหน้าเจ้าค่ะเราพยายามเหมือนฝึกสติอยู่เลยอยู่คนเดียวเนี่ยก็คอยควบคุมความคิดให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือเราทาอะไรก็ดู อยู่กับการกระทำของเราไปเรื่อยๆล้าจะมีสติมากขึ้นเจะะ้าค่ะลูกติดตรงที่ว่าหลับง่ายเจ้าค่ะ ห, หลับก็ถึงเวลาหลับก็หลับไม่เป็นปัญหาอะไรแต่อย่าหลับมากเกินไปก็แล้วกันเมื่อคราวครั้งที่แล้วที่ลูกมาปฏิบัติธรรม ท, ที่ที่วัดยานนะคะลูกลองทำเหมือนพระอาจารย์ที่บอกว่านอน นอนตีุกตื่นตีสองแต่ว่าร่างกายลูกไม่ไหวเดี๋ยวจนะพที่ลูกนอนก็ไม่เป็นไรตีชั่วตีชั่วโมงไม่ได้กต็ตื่นตีสามก็ได้พิ่อีกชั่วโมงหนึ่งถ้ายังไม่ไหวก็ตื่นตีนตนสี่เอาไปตามกําลังขอนแล้วค่อยๆลดลงไปถ้าเราปฏิบัติดีสตินี่ขึ้นมากๆครับใจมันจะตื่นเร็วขึ้นมันจะไม่ค้างองอเข้าเลย แตอนนี้ทําได้เท่าไราก็ทําอย่างนั้นไปก่อนนอนได้กี่ชั่วโมองก็นอนไปก่อนเหมือนเหมือนเหมือนลูกพยายามที่ปัญหาที่เกิดที่เจอวิบากกันเหมือนลูกพยายามจะจะพยายามเอาตัวเองขึ้นทางด่วนด้วยเจ้าค่ะก็บางทีถ้ามันไปไม่ไหวก็ต้องรอก่อนนอนให้ปัญหาทางร่างกายมันเคลียร์ก่อนแล้วค่อยค่อยขึ้นไป ทีบาปกรรมหนักมากเจ้าการบางทีก็ไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนไม่ต้องไปไหน ห, หรอกอยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปอยู่กับความจริงยอมรับความจริงไปเป็นอย่างนี้ก็อยู่กับมันไปไม่ต้องไปทำอะไรนะครับประคองจิตใจให้นิ่งให้เฉยให้ปล่อยวางร่างกายก็เลี้ยงมันไปด้วยปัจจัยสี่มีอะไรกินก็กินถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอ น, น, น, น, น, น, น, นไปอย่าไปวางอะไรจากมัน เดียวกัเหมือนลูกเอ่อที่ปัจจุบันลูกเอสถานที่ที่ลูกจะปฏิบัติธรรมเหมือนเมื่อก่อนที่ที่ลูกอยู่คืออยู่บ้านมันมันเงียบมันสงบลูกก็สามารถปฏิบัติธรรมได้เยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็อยู่กับตัวเองได้เยอะแต่ช่วงนี้เหมือนสถานที่ลูกไม่ไ ม, ไม่ไม่สะดวกกับการปฏิบัติธรรมเท่าไหร่เจ้าอืมก็ต้องหาที่ที่มันใช่ที่มันบอกาะสบายๆแล้ว นอกนอกจากมามาทําที่วัดเนี่ยเจ้าค่ะที่ห้องที่ลูกอยู่ไม่สะดวกอืมต้องหาที่มันสะดวกนะเจ้าค่ะโอเคมีอะไรไหมมีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคสาธุจา้าน้องตัดสาธุเจ้าค่ะคุณลูกตาได้พูดแล้วใช่ไหมอยาจะพูดอะไรบ้างเห็น อ, อยู่ได้ควอยู่ ได้ค่ะค่ะอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะเขามาร่วมทำธรรมค่ะโอเคสาธุอาจารย์ขุณบางวะไรเาากิดศรีาาราชาจัดนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วั น, นวันนี้หลังจากที่ใส่บาตรแล้วนะจ๊ะนะนะจ๊ะค่ะก็กลับไปที่โรงแรมคะ่ะแล้วก็พอดีเขาขึ้นไปช่วยเขาที่ห้องอาหารพนักงานทุกคนไม่พอ ก็ไปยืนดูแลลูกค้าค่ะแล้วปรากฏว่าหนูก็เผลอไปยืนอยู่ตรงไอ้ไอ้สเตชันที่มันเป็นพวกเหล้าขาวเหล้าขาวที่เขาทาเองอ่ะแล้วลูกค้าต่างชาติเขามาว่าถามว่าเอออันนี้อะไรอะไรเงี้ยหนูก็บอกอ้อมเป็นเหล้าขาวเป็นโลโก้โลโก้ไทยแอลกอฮอล์อะไรเงีง้ยแล้วก็ก็ก็เขาก็ตักทานแล้วหนูก็บอกว่าเออค่อยๆ่อยทานนะอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเอออยู่อยู่ชิมไหมหนูบอกว่าชิมไม่ได้อะไรเงีง้ยให้เป็นพนักงานแล้วก็หนูก็ลืมไปว่าอ๊ย ถือสินนี่ว่านูบอกว่าโอเคไอไออเทคไฟฟรีเซปนะก็เร็วก็เลยสเต็ปแบ็ออกมาเงค่ะทีนี้หนูว่ามันจะบาปไหมถ้าไม่มีเจตนาจะโกหกก็ไม่บากก็ทำตามหน้าที่ใช่ไหมคะอืม ก, ก็หลักๆก็ประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องของการทำงานนะคะวันนี้วันนี้โชคดีค่ะได้ใช้ยอมวิญญาณของอาจารย์ก็คือเป็นเคสที่พนักงานชายเขาตีเขาเขาทะเลาะกัน จนกระทั่งหัวหน้าหัวหน้างานนะคะือะเชิญมาหาหนูแล้วก็หนูก็เลยใช้วิธีก็คือ i n v e s ส i g a เกตทีละคนหลังจากนั้นพอพออินเวสติกเกตเรียบร้อยแล้วว่าก็เอาให้มาเจอกันแล้วก็สรุปผลกันว่าแบบเออเนี่ยถ้าบอกถ้าเราคุยดีๆแล้วใช้ใช้ใช้วิจารณญาในการคุยไม่มีอารมณ์มก็จบละแล้วก็หนูก็เลยบอกเขาไปว่าเนี่ยพี่มีเคล็ดลับาสามยอ่อยยอมหยุดเย็นอะไรเงี้ยพอ คุยกันเสร็จปุ๊บดิกปิกเขาก็แบบรู้สึก ส, สบายใจอะค่ะก็อันนี้ก็ขออนุญาตแอปใช้วิชาพระอาจารย์นะคะมาใช้กับพนัก ง, งานโรงแรมครับยอมก็คือให้อภัยค่ะเป็นเรื่องของความเมตตาใช่ความเมตตาค่ะเพราะเขาเขาใช้เหมือนกับเขาไปฟังกับคนอื่นมาว่าคนนี้พูดแบบนี้แล้วแล้วมันกลายเป็นว่าเขามีอารมณ์หนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยสอนเพราะว่าถ้าเรารู้สึกอะไร แล้วเรามีอารมณ์คล้อยตามมันจะทําให้เราตามสติหลุดมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราต้องการสอบถามหรือว่ามีปัญหาอะไรก็คือให้คุยกันด้วยสติให้มากที่สุดเลย่างี้ค่ะก็ใช้ได้ดีอตอนนี้ก็ขออนุญาตใช้วิชาพระอาจารย์เยอะนะคะตอนนี้หนูหนูเริ่มรู้สึกว่าหนูสนุกกับการเผชิญปัญหาแล้วก็เผชิญกับความทุกข์ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่หนูจะสามารถประเมินได้ว่า หูปฏิบัติทำขั้นไหนแล้วเจา้าค่ะอกัดีกขอบพระคุณเจา้าค่อ่าดีอ่าขอจะบพิเศษสกล น, นครข่านวัดสการพระอาจารย์ครับอ่าเป็นยังไงไม่มีคําถามครับอาจารย์เข้ามลาลูกฟังธรรมครับโอเคจยังไงไปต่อนะครับอ<า>ขอบพระคุณขอบพระคุณครับจอยพัทยา เป็นงังไงออ้าวไปแล่ะเห็นไหมคะได้ยินหนูไหมค ะ, ะได้ยินแล้วโอเคก็คได้ของหนูก็เหมือนเดิมก็จะปฏิบัติดูใจตัวเองอยู่บ้างค่ะแล้วก็เรียนรู้คนข้างนอกรอบๆตัวเราเออไยเขาไปอย่าไปยุ่งของเขาค่ะเาจะดีจะร้ายก็เลื้ยงของเขานะค่ะอืมตกสาบที่คำถามว่า ยังไม่นอนเลยค่ะยังไม่นอนแต่ตอนเจ้าใส่บาตรท้ า, าขอสอบแล้วคนะจะปิด <Okay. S 1> เต็มแล้วค่ะดีดูยังเสียเงีนะเลแคมสอบได้คะแนนดีๆโอเคนะโอเคอาจารย์พมไม่ลายจะพูดหรือเปลาเห็นปิดกล้องนอนนั้วเละเขานอนแล้วเลยวันนี้ข้ามาชาติเลยอยู่อันดับสุดท้ายเลย ผมไม่ว่างออกมานะ้วไปกาบมรดกา ร, การค่ะผาจานเป็นยังไงไม่ได้มาไม่ได้มาช้านะอไม่ได้ไม่ได้มาช้า ม, ม า, า, ม, ามาเร็วแต่ว่าไม่รู้หายไปได้ยังไงไม่เป็นไร อ, อ, อ, อ่มีคนตื่นมาแล้วค่ะครับอาจารย์ครับหา ก, กล้องเงินนะค่ะค่ะพอดีเพิ่งเพิ่งปิดไฟมืดไปหน่อยอดี๋ยวไปเปิดไฟโอเคเราดูไม่เห็นนะ สวัสดีรับไปแล้วครับรับการทราอาจารย์ครับเอรอกราบสวัสดีอยู่ครับได้รอกาบแล้วเลนั่งค่ะอันนี้เด็กหน่อยกืบจะสี่ทุ่มแล้โอเคสุขภาพแข็งแรงดีนะทุกอย่างเรียบร้อยดีครับโอเคอันนี้ทําไว้เป็นปกตินะตีกรได้มาทําอะไรได้นะได้แล้วครับอืม มานแปลว่าสภาพมันแก่ไปหน่อยฮะเหนื่อยเร็วขึ้นเหนื่อยเร็วขึ้นเหนื่อยเร็วขึ้นนอนมากขึ้นเพราะพัอนมากขึ้นอโอเคแต่ให้เหมือนเดิมคงไม่ได้หรอกค่ะใช่ทุกคนเหมือนกันหมดนะโอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็อาจารนการนะวันนี้ค ไปที่คนคนลามีคำถามอะไรบ้างคนลามาด้วยกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะถ้ามือหรือเสื้อของผู้หญิงไปโดนมือหรือจีวรของพระโดยไม่มีเจตนาผู้หญิงจะบาปไหมคะและพระท่านต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไหมคะ ไม่เ็นต้องทำอะไรก็เฉยๆไปถ้ามีน่าแต่ว่าใจเป็นยังไงถ้าใจมีความกำหนัดเกิดราคาตันหาขึ้นมาก็ต้องใช้อักสุภาะดับมันไปคำถามต่อไปการร้องไห้เพราะสงสารจากการที่มีเสียชีวิตของเด็กๆในรถบัสที่ไฟไหม้การร้องไห้นี้ถือเป็นความบกพร่องของการปฏิบัติธรรมหรือไม่คะก็ ก็แสดงว่ายังเศร้าโศกเสียใจอยู่ยังทุกข์อยู่อย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ผ่านถ้าไม่เศร้าโศกเสียใจใจเป็นดุเบกขาเฉยๆไปเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็แสดงว่าปฏิบัติธรรมผ่านผ่านเคาปัญหานี้ได้ครับคถามสุดท้ายการอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตโดยที่เราไม่รู้ชื่อนามสกุลของผู้ที่เสียชีวิต เราจะสามารถอุทิศบุญได้หรือไม่ครั้งกับครอบพรัคุณค่ะก็เราจําก็ได้ไหรือเปล่าจําก็ได้ยว่าคนนั้นแ่ะคนที่เราจําได้เนี่ยแค่นี้ก็มันก็ถึงเหมือนกันไม่ต้องไปชื่อก็ได้คํำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคคําถามหมดแล้วท่านที่เข้ามาทุกคนก็ได้ถามได้ตอบกันทุกคนแล้วก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาสำหรับคืนนี้อก็ขอให้ท่านดงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟัง ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพ้าอความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ